คนใหม่มาหลคนด้นมาทหม่ที่นี่กาให้รู้อันมีแผ่นกผ่นใหม่มแผ่นเสร็จแนกำลังใจ เร right? mm hmm. okay. ื่องทั้งหมดยังมีไว่คุณจะทเดีวิชาขออนุญาตคือทั้งบนเครื่องดนตรี่วนช้างางเลยตองไว้เื่องด้เราทำวิทยาทานของหนตาแล้วก็เอา้ังสีทมาให้ทกอาจารย์ใส่ไว้เอ่อขอจารย์ก็อยากจะเอาจะเอาไปแล้วชหนึ่งค่ะแต่บันข่าไปค่ะคัดเล่นของเล่นเดียว่เล่นของเล่นเดียวค่ะเดี๋ยวจะเอาเล่นของเล่นเดียวใ่ะเดี๋ยวอง่ายดู คือจรรทันไม่ใช่ไปไว้จรรท์เอาไว้ด้วยคุณชายบอกเอาไว้เอาไว้ตู้รางไม่ด้วยแตนี้ก็มีจรรทรรำอยู่สองสองเล่นเล่นศึกกับเล่นศึกเล่นศึกยังไม่ได้ถึงนะยังไม่ถึงวันกาลังใจตอนนี้ไม่ได้ถอดแล้วก็เลยไม่มีไม่มีรายชื่อในตอนวันที่ทำทำไม่ก่อนทาไม่ถังทําย้ว เพราะว่าทำเรนี้มันรวมัน้นจุรธารรมันก็ได้ถึงเล่นที่39เป็นเป็นเป็นเพียงปีปปละสองเล่นจะเป็น12ปีนะ ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่ต้องรีบนอนกันวันจัรพอดีจุฬรารรมเล่นที่16ที่จะออกมาปลายอนนี้ก็จะเป็นทำอะไ ร, รที16นี้ก็จะเป็นจุรารมเล่น ถ, ถึงจรธรรมจัดใช้ชื่อกำลังใจแล้วก็มีเขียนไว้ตัวเล็กๆว่าเป็นจรธรรมนี่น่งจาดพวกที่พวกที่จะมาทำบุญท่างเพราะว่าเขายังไม่ได้รับกันจะได้จะได้ไ ด, ได้ได้เผยแค่ไป มาได้หมดนวใช่มคุณคระั้มาที่นี่ครับหมมันต่ายมเยียมนะต่ายมือ เ, อ เ, เยเอี่ย ม, มนะคือป็นอุบายของพระพุทธเจ้าที่จะให้เป็นการจุด ป, ประคายศรัทธาความเชื่อ นา้นก็พุทัก็รรก็สอนเริยนได้ตรงพิจารณานว่าการไปจากาุจจานิสถานสี่ที่ประเสริฐที่ประเสริฐตรูุ้ที่แสดงพระธรรมเทศนาและที่สรุปผ่านจะทาให้เกิดมีความรู้สึกการคิดากพระพุทธระธรรมและสให้เกิดงานเชื่อเช่มั่นค่มิ่งขึ้า พระพุทธธรรมพระสงฆไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากการจินตนาการตรงแต่งของคนผู้ใดแต่เป็นสักขีพยานถึงความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของการตรัสรู้อของพระพุทธเจ้าของการแสดงวัฒนธรรมะยาราคาจักปของพระพุทธเจ้า ถ้าไปแล้วคนที่ไม่ค่อยมีศรัทธาก็จะเกิดมีความมีศรัทธาขึ้นมาทำให้การจัดรืว่วอนความมังเยวยสงสารใจได้ทำให้มีอุทิบาทีเกิดขึ้นเป็นฐานะความมีดีที่จะศึกษาปฏิบัติเรื่อยละ ความอุตสาหะเป็นผศึกษาปฏิบั ต, ติจิตต์มีจิตใจที่จบจอดพอการศึกษาและการปฏิบัติยิ่งลังสาคือการคาดควรด้วยเหยื่อผลในทางทางศึกษาและทางปฏิบัติพอทำคําสอนของโคตรจิตเจซึ่งจะทําให้ ได้พัฒนาได้ยากเก้าวัขน้าได้ติมได้ไปถึงจุดหมายปรายทางที่พ ร, ระโรมัสปปดาได้ทรงบังเนินไปถึงและสาวกพระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้บังเนิดไปถึงและผู้ที่ยังไปไม่ถึงจะได้ไปถึงเพราะเป็น จุดปรสองอันเดียวกันนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเวลาเวลาทั้งหมดที่ทรงมีอยู่หลหลังจากที่ได้ทรงตัจรู้เป็นพาะอรหันตัมมาพุทธเจ้าแล้ว่นก็มีของพระพุทธเจ้าของเราก็กากสี่สห้าปีด้วยกันต่อรุ่งมั่นนไปที่กาหานสอนสัมโลให้ได้มี ปัญญาที่จะนำพาใจให้ได้ไปสู่จุดนั้นคือการดูพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดมีพ้นจากการยืนว่าการเกิดมันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้ายถ้าตามได้อย่างยืนการเกิดอยู่แบบนั้นก็ยังยืนมีการแก่ มีการเกิดมีการตายมีการพัฒราจากสิ่งที่รักมีการเผชิญกับสิ่งที่ไม่วาสนาไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนชาตไหนจะดีจะละเอียดขนาดไหนก็ยังต้องมีการเสื่อมมีการพึ่งพึ่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีวาสนา เป็นเกิดเป็นพระมาหาคัจจ์เป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้ที่ร่ำรวยหีือรูปหน้าหน้าตาที่สวยงามก็ยังต้องหมดไปหมดสิ้นไปเพราะการบุญมาย่อมเกินสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายไปหมดนอกจะเป็นตทุกอย่างในโลก ของการเรียนไหว้ตาเกิดนีนคือภายใต้กดของใจละคืออนิจจทุกความอนิตจามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบัไปจึงไม่ใช่เป็นเพ่งที่น่ายืนดีที่จะไปเกิดอีกึแต่จะเกิดดีตนะหนัก็ตามันก็เป็นเพียงชั่วคราวเป็นชั่วคราวเท่านั้นเหมือนไม่ถาวร ไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดยิ่งกว่าอริธานที่เป็นที่เป็นไปด้วยความสุขที่เรียกว่าปรารมีสุดขังเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมถ้ามันเกี่ยวขอ้อหรือไม่มีามการลกไม่มีอนิจจังสุดขังเข้าไปเกี่ยวข้อกับอริยานอริยานี้เป็นชาติที่ อยู่นอกเหนือวงจรหน้าเหนือวงจรเรื่องอิทธิพลของของกายนะ้าอยู่อีกป้านหนึ่ขงขอ ง, อ, อ, องของขอ ง, ของการเร<ม>ีนว่าตายเกิดของสังสาระนี่คือจิดที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปถึงและทรงเห็นว่า เป็นจุดที่ดีที่สุที่ปลอดภัยที่สุดเป็นจุดที่ได้ว่าละาัจความ ท, าทุกข์เหมนสมัยนี้เราไปการสถานที่บางแห่งเขาจะมีป้ายเขียนว่ า, วาเขตปลอดด้วยที่ตรง น, นี้ไม่มีการสื่อเลยเห็นลายพิมพ์การก็คือเขตปลอดความทุกข์เราถึงตรงนั้นแล้วจะไม่มีความทุกข์เข้ามา เกี่ยวข้องมาเหยียบย่ำจิตใจได้จิตใจจะยังมีการเคลื่อนไปตลอดเพราะไม่ได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการหลบมีการสูญเสียหมดไปเช่นเชื่องการมาเกิดเราก็ได้มาสัมผัสกับขั้งทั้ง5คือโลกเวทนาสัญญาสังขารมีนา ที่เป็นส่วประกอบของร่างกายและใจของเราเมื่อมามาเกี่ยวข้องกับฐานห้าแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการตื่นใจร่างกายก็มีการจเจริญเมื่อเจริญเที่แล้วก็มีการเสื่อมทางจนการที่เกิดก็ แตกดับกเพลิงสูบท่านสีด่ดวงน้วนไปซูญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็มีการเกดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆตลอเวลาในวันวันแบงนี้เราไปสัมผัสกับการเกิดดับของนามขันี้ตตรเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่รู้ว่าจนอะไร และเราก็ไม่เคยสังเกตดูกันเช่นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเหลือก็สุขเหลือก็ทุกข์เหลือก็ไม่สุขเหลืวก็ไม่ทุกข์ความคิดของเราความจำด้านไหนหรือคือสัญญาการรับรู้รูรทธสิ่งจุลวัตถักรพรรดิสั ม, ม, มสผัสกับตาหูจมูกร่องกาย ก็มีการเกิดดแบบับเกิดดแบบับอยู่ตลอดเวลาเร่งเสียงในขณะที่กําลังเรล่นอยู่ในขณะนี้ก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่มันไม่ได้เป็นเส่ยงที่ถาวรมันเกิดดแบบับเกิดดับเหมือนกับแสงเพลิงห้อยและความคิดที่เราพิจารณาตา่างก็เกิดดแบบับเกิดดับไปเช่เดียวกั น, นแล้วความรู้สึก สุดชุกไม่ทุดไม่ชุกออก็เกิดอยบกเกิดอย่างตามไปเมื่อเป็นชุดชุกแล้ก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาผิดที่ไม่ได้รับ ก, การอบรมกาจะมีความหลงคอยหลอกคอยรอให้เกิดความยินดีบ้างเกิดความไม่ยินดีบ้างเกิดความรัก เกิดความชอบเกิดความเกลียดยงทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชนนเป็นความทุกขนี้ตารกับทุกข์เวทนาทุกขเวทนานี้เป็นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของขังนรูปต่อขันเวลาไปสัมผัสกับอากาศที่ร้องเปลี่ยนแปลงก็เกิดความรู้สึกไม่สบายก็เป็นความทุกข์แบบนี้ เจอตาสัมผัสกับอากาศผู้เรียนมากคนตกกงเกิดความรูเสึกไม่สบายขึ้นมาคือเป็นความทุกข์แต่ความทุกข์นี้มันมันมาแล้วมันก็ไปจะมีความทุกข์อีกอย่างที่ตามมาด้วยในใจอีกชั้นหนึ่งที่เกิดจากความไม่เยินดีเกิดความนาำเสียเวลาหนาวฝนตกก็ เกิดความเาปลี่ยนก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชัน้นรือร้อนเกินไปและเกิดความเปลี่ยนเกิดความไม่พอใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นึ่งภายในใจความทุกข์ชั้นนี้เป็นความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายกำจัดได้คือสามารถควบคุมไม่ให้ใจนั้นไปเกิดความไม่พอใจกับ การเปิี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มากระทบกับร่างกายเช่นอากาศจะหนาวขนานไหนก็รับรู้ตามความจริงว่ามันหนาวถ้าพอที่จะหาอะไรมาหม่มมาทำให้มันดีขึ้นเบาขึ้นอะไรอื่นที่ได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับอยู่กับสภาพนั้น โดยที่ใจจะไม่มีความยังกีร์ความไม่พอใจกับสภาพของความอานันี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและผ่ววานเทายท่านทําได้และเป็นสิ่งที่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราก็คือให้เรามาบำบัดมากำจัดความทุกข์ตัวนี้ท่านและให้เราไปกำจัดบำบัดความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้ลอมต่างๆเช่งเกิดอากาศรออ้อนมากๆเราก็ผปิตเครื่องปรับประกาศขึ้นมาเพื่อที่จะมาปรับให้อากาศนั้นเหมือนเท่ากับระดับที่เราต้องการเพาให้เราปรับระดับของใจงของเราให้เข้ากับระดับของความเป็นจริงของธรรมชาติเราไม่ต้องไปเสียเวลาเหนื่อยยากกับการปธรรมชาติให้เป็นตาา่างๆ ความต้องการของเราและรับประจของเรานั้นให้รับกับความเป็่ยนไปของธรรมชาติของความจริงที่เกิดขึ้นที่มาสัมผัสกับใจของเรานี่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอากาศลเ ร, รื่องอากาศนาแต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิจจ่งต่างๆที่มากระทบกับใจของเราเครื่องมีมากกว่านั้นอีกหลหลายชนิดด้วยกัน เส้นเสียงอย่างนี้ก็เป็นตน้นเมื่อกี้เราอยู่ในควาสมสงบแต่ตอนนี้ก็ลมีเสียงดังรบกวนเราก็รับรู้ไว้ว่ากลุ่เสียงดังแต่ใจเราอยากไปรังเกียจเราอย่าไปก่อความโกบขึ้นมามันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรให้กับเราแต่ถ้าเราไม่เราไม่รู้จักควบคุมใจ แล้วปล่อยให้สิ่งที่มาสัมผัสกับเรานี้มากตุ้นให้เกิดความไม่พ อ, อ, อใจหรือความโกรธหรือความอยากได้มันก็จะทําให้การของเรานั้นมีความทุกข์ขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่มันต่างจากความทุกข์ในธรงมทุกข์ในทรรนี่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของของ ของสภาลัทธิธรรมต่างๆที่มาสัมผัสจับใจของเราซึ่งใจของเรายังไม่รู้ทันยังไม่ยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปงที่เราเคยมีอะไรและเราต้องสูญเสียสิ่งที่เรามีไปนี่ก็เป็นการเรปลนปอย่างงถ้าเราไม่รู้ทันพอเกิดการสูญเสียไป ใจของเราก็จะเกิดความยืดหวานขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนได้สังสอนใ<ม>จของเราไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีการเปลี่ยนปลมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหัไปมีการมามีการไปของสภาวธรรมทั้งหลายของสิ่งต่างๆทั้งหลาย ถ้าเราสอนใจอย่างเรื่อยๆถ้า เ, เราฝึกซ้อมเหมือนกับนายทวารรักษาประตูของญุ่ปุ่ก็จะรู้ว่าบอล น, นี้มันมาได้ทั้งหลากหลายทา่าเลยกันมาทางซ้ายก็ได้มาทางขวาก็ได้มาทางตรงก็ได้มาทางต่ําก็ได้มาทางสูงก็ได้นายทวารก็ต้รู้จักรับลูกบอลที่จะเข้ามาถ้าถ้านายทวารมันฉลาด ได้รับการศึกสอนมาอย่างดีก็จะสามารถรับมือวัได้ทุกทุกมือแบบนนสัญญาณสภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือการหมดไปของสิ่งต่ตางๆก็เป็นเชนั้นมันมาได้ทุกมือแบบด้วยกันมาทางตาหูจมูกลิ้กายการยึใจหรืออารมณ์ต่างๆ มาทางขันคือบ้านกายรูปรยะตานาสัญญาสังขารยิยานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาพยาเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมเหล่านี้เมื่อเราจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นเปลี่ยนเป็นวัฏวิททภูตชัฏเป็นธรร ม, มารุณก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูอย่เรื่อยๆ มีทั้งที่ทำให้เราเกิดความยินดีและเกิดความไม่ยินดีเกิดความไม่พอใจแต่เป็นสิยงที่เราไม่ควรที่จะเป็นยินดีหรือไม่ไม่ไม่พอใจควรจะรับรู้เฉยๆตามความเป็นจริงของๆ เ, เพราะว่าถ้าเรารับรู้แล้วยาไม่ไปยินดียินไลยกับเขา ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วนนุ่นวายการศึกษาเนี่เองที่เจอวิธีการหลับที่อยากด้วยการรู้ทันสภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏที่มาสําคัญกับัจอยากไปหลงยินดีเวลาไปเป็นที่ถุกอกทึกใจ อย่าไปลังเปลี่ยนเยวลาเป็นสิ่งที่ไม่ชอบหนักชอบใจต้องยอมรับความจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้มีทั้งสิ่งที่อยิย่ดีแลวไม่ยิ่ดีพอใจและไม่พอใจแต่เราสามารถเปลี่ยนใจเราจากความยืนดีไม่ยิด่ดีความพอใจไม่พอใจ ให้เป็นความรู้เฉยๆความรับรู้เฉยๆหรือจะพูดว่าพอใจก็ได้คือพอพอใจกับทุกสภาพไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีง่ายยินดีหรือไม่ง่ายยินดีก็ตามก็รับได้กับทุกสภาพถ้ารับได้ก็ถือว่าใจาของเรานี้มีปัญญามีธรรมะ ที่จะรักษาใจให้อยู่ยืไม่มีความทุกข์ยากแต่โดยธรรมชาติของใจทั่วไปนั้น ท, ที่ยังไม่ได้รับ ก, การฝึกฝนอกบอมจะไม่หยู่ไม่เป็นอย่างนั้นมาเป็นหนึกับสันทาสันท่ากายพอสัมผัสกับสิ่งที่ที่ถูกอกถุกใจก็จะเกิดความยินดี เกิดความโลภความต้องการขึ้นเวลาสัมผัสสัมสส่วนที่ไม่ออถึงอกถูกใจก็จะเกิดความรังเกเกิดความไม่พอเกิดความโกรธขึ้นมาเราจึงต้องมาฝึกฝนการของเราให้ยืนกลางหรือไม่ยืนดีไม่ยืนร้ายโดยการ เกิดทำจิตใจน่าสงบเวลาจิตสงบยากจิตก็จะเป็นกลางจิตใจเป็นอุเบกขาคือจะไม่รุนแรงไม่รุนละมับมันปล่อยวางก้าเป็นทงอย่างชั่วคราวแต่สภาพนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเวลาเราน่งสมาธิแล้วจิตเราสงบก้าจะสงบได้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจิตก็ต้องถอนออกมา เราก็ต้องออกไปทำธารกิจ ต, ต่างๆจะต้องไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆตอนนั้นแ่ะเป็นตอนที่เราต้องใช้ปัญญาใช้ใจรักสอนสใจเราคอเพือนเราว่าอยากไปดีๆกับสิ่งต่างๆและอยากไปรังเกียจกับสิ่งต่างๆเพราะว่าเราไปควบคุมบังครับทำไม่ได้ ให้เขาเป็นยายตามความต้องการทำงาไม่ได้ถ้าเรามีความต้องการมากเราก็จะเหนื่อยมากเพราะจะมีสิ่งที่จะทำให้เราต้องมาแก้ไขดยยวมากถ้าเรามีความต้องการน้อยเพื่อเราเป็นสันโดษเพื่อยิ่งดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นที่ปรากฏขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นใจเรากระทนไม่ต้องทำางาให้เหนือนยากเลย เยี่้อนก็ว้อนไปหนาวก็หนาวไปไม่ต้องวิ่งไปหาเครื่องตักอากาศมาติดตั้งไม่ต้องไปหาที่ทํานั้นอุ่นมาใช้อาบอันนี้เป็นความถ้าใจทําใจให้รักกันให้พอใจกับทุกสภาพได้แล้วก็จะสมบางตัวแต่ลองกลับมองไม่เห็นความสมาบ้างนจุดนี้เพราะถือเป็นหน้าของ ความหลงวงครอบงาำจิตใจให้เราต้องไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ถูกาจของเราแล้วกลายเป็นความวุ่นวายกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นใจที่มีความอ่อนแอไปเพราะจะต้องคอยคลึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเดวลาเป็นเหมือนกับคนที่ไม่พิการแต่ต้องไปอาศัย ของที่คนพิการเขาใช้กันเช่นรถเข็นนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้คนเราเป็นคนพิการกันเนยอะทางเดินนี้เดินกันไม่คยไม่ค่อยเดินกันระยะทางเราทีใ่ใกล้ๆก็ามายอมเดินกันขอขึ้นรถกันหรืออย่างนี้มีโทรศัพท์มือถึงบังที่จะคุยกันแค่เดินไปสองก้าวก็ามาเดินใช้โทรศัพท์ก็คุยกัน นี่แหละเป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยต้องมายุดววายกับการหาซื้อเพื่อนธรรมชาติมแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาคอยชาร์ตแบตอยู่ตลอดเวลาแลวเวลาถ้าวันไหนเกิดโทรติดต่อกันได้ต้องอออังคาใจเพราะว่าเราไม่เคยอยู่แบบ สำโดดนั่นเองจะยินดีพอาจกับสภาพที่เป็นอยู่ที่มีมาพยายามที่จะตอบรับเปลี่งนทุกอย่างให้เป็นการตามความต้องการของเราถ้าไม่พิสูจน์มันก็มาวมทับสีสันเราเป็นความทุกที่กดดันหยุดคันหายใจของเราพอเวลาที่เรา ต้องอยู่กับสิ่ง ก, กับในสภาพที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วก็ทนไม่เพราะเราไม่เคยรู้จักวิธีอดทนนั้ไม่รู้จักทาใจของเราให้อดทนให้อยู่นิ่งเฉยๆให้รับรู้กับสภาพทุกอ่างให้รับกับสภาพทุก ต, ต, ต, ตออ่างๆทั้งหลายนั่ บาคนจะต้องไปทําอะไรที่ไม่ไม่ดีเสียหายจากการเสียหายตามมาที่เกิดการทําผิดถิงจุดทำเพราะใจมันมันมันไม่สัมปองมันไม่ยืนยืนตามมันตามมันมีความโลภมีความอยากความต้องการมีมุามการจะทําการทำทำการที่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ เพ่อไปค่าขื่นไปรักทัพย์ไปประพฤติผดตัวเองไปโงหกหลอกลวงไปเสายา마มไปอวัอยวะต่างๆและไม่รู้ออกมาจากใจที่ไม่รู้จักปรับตัวเองให้เท่ากับสภาพแต่ปัยายามจะปรับให้สภาพนั้นให้เข้ากับใจกับความต้องการของตนอยู่บ้านเฉยๆใความจริงก็ เป็นสภาพที่ดีที่สุดเลยนะบ้านนี้ไมู่่ที่ไห น, นไม่มีที่ไหนจะดีท้าบ้านเราปลอดภัยมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนตลอดเวลาจะอยู่บ้านกันแค่นี้นะต้องออกไปข้างนอกกันไปเสี่ยงภัยกับอะไรต่างๆเม่องทองพังนลีกับคนวิษยาทยี่กับเหตุการณ์ที่ที่ไม่ดีทั้งหลาเพราะว่า ใจถูกตำหนักของความอยากท่องมาเองมันเองพราะไม่เคยติดไม่เคยกาจัดความอยากต่างๆเหล่านี้ปอให้ความอยากให้เป็นตัววงการเป็นตัวจัดการชีวิตเราจนเราการ็นท่าของความอยากไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นสิ่งที่ทรพระพุทธเจ้าทรงชี้นา ขั้นเพ่ยงไม่ได้ตัดสินขั้นเพียงเป็นพระราชโอรสอยู่ในอยู่ในวังที่ทําการความจุขของทางนี้แต่ตรงเห็นทงสังเกตเห็นพระทัยของพระองค์ว่ามันไม่มีความสุขเกิดมันต้องยุ่งกับเรื่องาาราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาตามความโรการของความอยาก เดียยนนนนเด๋ยวก็อยากจะเจริญสงนั้นจริญสนี้เดี๋ยวก็อยากจะเลวสิงนั้นสิงนี้อยากจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรงความโมง่ตาของความอยากทั้งนั้นคนเราที่ที่ออกไปทําอะไรกันส่วนใหญ่นี้ก็ไปทำตามความอยากนม่ได้ทําตามความจําเป็นความจำเป็นก็มีอยู่บ้างซึ่งเราต้องทํามาจริงเพื่อมีปัจจัยสิ มี่เป็นความเสื่มเสีแต่ถ้านอกเหนือประ่างนั้นแนละ้วเราจะเรื่องของความอยากนั้นทำไปแล้วก็มีความสุขขณะเฮหาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วก็เกิดความอ้างว้างปากเสียเกิดความอยากที่จะต้องหาอะไรมาทำต่อเพื่อไม่ให้มันมีความรู้สึกอ้างว้างปากเสียก็จะเป็นวงจรออ่างนี้ไปเรื่อยๆ เป็นอย่างนี้มารับมือเพื่อนนะอยู่ภพชาตาต่างที่ผ่านมาเกิดมาเกี่ยวกบพกภพชาติไม่ว่าจะเป็นอยู่ในระดับไหนจะเป็นเทศเป็นมนมุติ์เป็อแฉะก็ะทําแบบเดียวกันการปล่อยกามทำตามคําสั่งของความอยากคือการละตานหาภาวะตันหาวิภาวะตันห า, า, นหาทั้งสามตัวนี้นี่แหละคือเจ้าหนาทของสัตวโลกธรรมะ แต่โลนี้เป็นทาของของความอยากให้สารแล้วก็ทุกไปกับความอยากแบบนี้เวลาอยากแล้วก็เกิดความอยู่ไม่เป็นสุขขึ้นมาเวลาอยากจะเป็นอย่างนี้ให้อยู่บ้านที่ใช้โอ๊ยแล้วจะทาวาง ใ, ใจต้องออกไปไปให้มันหายอยากถึงจะกลับมาอยู่บ้านได้แต่กลับมาก็าเพื่อมาพักเอาแรงเทาั้น อได้แรงได้กำลังแล้วก็อยากออกไปทีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาแล้วก็อยู่ในโรงจอนี้ออกไปข้างนอกก็อยู่บ้านได้พอเหนื่อยแล้วก็กลับมาพักในบ้านพอหายเหนื่อยแล้วก็ออกไปก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่ก็ยังต้องทำอย่างนี้ต่อกว่าสังขารมันจะไปไม่หวจริงๆนะ ขณะนั่งแขงออกไปได้ยังไปเนี่ยมีอะไรอหนาจในความอยากมันมันชัดเจนเห็นงนีน้แต่ถ้าแม่พิจารณาก็ไม่เห็นนะคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเราเป็นธรรมดาของเราแต่ความจรงนงแล้วมันไม่เป็นธรรมดามันเป็นเรื่องผิดปกติเรื่องที่ธรรมดาที่แท้จริงนต้ อ, อยู่็นสุข อย <architectural. S 1> ู่ท <idden> ี nah, <Koll ater> <Uh, went, ่เฉยแล้ว <ùng> ต้องเป็นสุดนี่ถึงว่าเป็นธรรมดาคนที่เป็นถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้เพรคนนั้นก็เด็กเลิงจากความทุกข์ยากถ้าอยู่เฉยแล้วมีความสุขก็ก็หมดก็หมดปัญหาปัญหาส่วนใหญ่ยังเกิดจากการที่อยู่ไม่เป็นสุดนั่เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราก็ตามเรื่องเรื่องของคนอื่นก็ตาม เรื่องของเราก็มากพอแลนะ้วแต่ย่งอดไปที่จะไปยื่นกัเรื่องของคนอื่น เ, เขาไม่ได้คนอื่นเขาเป็นอะไรก็ต้องไปยื่นวายไปกลับเขาอีกเนี่ยเราสร้างความยื่นวายให้กับตัวเราเองแทนนั้นสร้างความเพียรกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวและจะไม่มีทางมรู้สึกตัวเลยถ้าไม่ได้มาเจอพระศาสนาไม่ได้มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จะึงย้อนกลับมาที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนาชนิดกชงนั้นเดินทางไปตามสถานปู่เจยสถานต่งางๆก็เพื่อทําให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเพื่อจะได้มีสรรพาวิริยะที่จะศึกษาและปฏิบัติการและทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการปลดทิ้งตัวตาตัวใจของเราให้สว่างขึ้นมาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ได้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเพื่อเราจะได้สร้างคุณที่เป็นคุณและกจาจัดโทษที่เป็นโทษเพื่อเราจะได้อยู่จากมโนเีมฆเป็นทุกข์ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องมีวอยตา ก, การเปลี่ยนแปลงของสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้คนที่มีบุตาสว่างมีเดียงตางุนทานแล้วจะไม่รู้วา่าขับอะไรแต่ซึ่ง อะไรเป็นมีก็มีไปอะไรจะเสือส่อมไปก็เสื่อมไปแต่ใจนี้นจะไม่ได้ไปดู อ, อกยูใจเจี๊ยบยูใจไปกับการมาและการไปของสิ่งต่งงางๆเพราะมีปัญญาในเองเพราะรู้ทันแล้วว่านี่คือความเกินจริงทําอะไรไม่ได้ถ้าไปดีใจหรือเสียใจก็เหมือนกับเป็นการาทําทษตัว เ, เอง คือสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองมะอเราก็ไม่มีใครอยากจะทุกข์ด้วยกันเราจตงต้องปล่อยวางต้องยอมรับความจริงต้องอยู่กับความจริงนั่นให้ได้นี่คือต้องหวายของการไปเป็นเบียร์ไปตามคือเป็นเียสถานหลังจากแต่ถ้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับมา ดำเนินอะไรที่ติดแปกประหลาดตอนที่ก่อนไปไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็รเพียงแต่เป็นการไปเที่ยวเหมือนกับไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเท่านั้นเอ ง, เองแต่ถ้าไปแล้วกลับมาแล้วพลิกหน้ามือไปอย่างหนึ่งจากคนที่เคยสำมาโลเเมวจะเลิกสำมาโลภทมาจากคนที่เคยเที่ยวเคยไปก็เลิกเที่ยวเลิกไ จากคนที่เคยไม่มีศีลไม่มีธรรมพอกลับมามีศีลมีธรรมถ้าไปแบบนี้ก็ถือว่าได้รับเป็นตรงกับความศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่สำหรับคนบางคนที่เขาไม่สมมาเลยคือมาอยู่แล้วเขามีศีลมีธรรมอยู่แล้วการจะไปชื่อื่นหรือว่านั้นก็ไม่สําคัญอะไร พ่ายามก็ได้ไม่พยายก็ได้เพราะก็มันกลับมาก็ไม่ได้จะทำอะไรแค่หนแต่ต่างกันเพราะว่าเขามีสีธรรมเขามีสัญชาวิริยะจิตตะวิมังสาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่แล้วดังนั้นคุูบาอาจารย์ต่างๆของพวกเราคงไม่ค่อยมีปรากฏว่าท่านได้นใจเป็นเดียร น้องปู ận, ่ต่าห <t White Story> <clim> ักฐานน้อง่มากมายท่านไม่ได้ไปคนเดียวยท่านไม่ลงฝันเพรท่านเห็ธรรมอยู่ในใจของท่านนะท่านเข้าถึงประพุทรรมพระส้ท่านไังเลยสสาในพระพุทธธรรมพระสงเหมือนกับพวกเรพวกเรายังต้องไปถึงสถานที่ถจะเชื่อว่าพ่อหลวงพระพุทธเจ้ามาตรัประเสริฐจริงจะต้องไปในสถานที่ทรงแสดงพระธรรมเพ่นา จะใจในความเชื่อชัวนั้นกัน่าจะไปแล้วมื่อไปก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป้าหมายของการไปและเมืนี้ก็เพื่อให้มีศรัทธาความเชื่อใกพระพชทธธรรมก็เสร็จให้มีอิทธิบาทมีนันทายาคีตะมีมังสาที่จะศึกษาและปฏิบัติ ตามจะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรร เ, เองความทุกต่างๆที่เกิดจากความโลภความเกรธความหลงเกิดจากความอยากทั้งสามคือการละตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัาให้บ้นไปจากจิีตกจมีปุถัมภ์หวนที่แท้จริงของการไปยงเดียก็ดีมี้องการรปกรากไหว้คุยบาอจารย์ตามที่ต่างๆก็ดี มีสองการนะการเที่ยวการทาที่นี่จะดีก็มีอยู่ที่ตรงนี้กันนะเนื่องจากความอยากที่าีอย่ในกางเราให้ชื่นขอให้เราให้ความสำคัญอยู่ในจุดนี้ขอให้เราดูที่ใจเราไปถ้าเกิดความร่วมเมื่อเกิดความโกรธเมื่อไรเขารู้ว่านี่คือตัวืองของเรานี่ละคือสิ่งที่ราจะต้องกังจบด แต่่งที่จะทาที่ทำให้เราคำนวณได้ก็คื อ, อการปฏิบัติทานถือาวนาเงินทมน อ, อทมากน้ยเท่าไรอยากไปซือได้ถ้าเรยัม่มีความจำเป็นแล้ก็เอาไป ท, ทําในทำทานเสียเสียก็พยายมามรักษาวันให้ดีให้เราสุทธานาก็พยายามทำให้มากการเลี้ยงสตงิเองได้เงี้ตั้งแตเป็นขึ้นมาจ่ถึงอยากเลย อย่าให้เผลอสติดห้ม no so ีให <ler> ้มีสติคอยเที่ยวกายลาจารย์กายของเรานยูเสมออย่าหาใไจากทางลาจารยกายอย่าไปในอดีตอย่าไปในอนาคตอย่าไปที่กายที่กันให้อยู่ที่ร่างฐานฐานที่นี้ก็่านั้นอยู่ที่กายลาจารกาหลังจากรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรดีไี่มดีกำลังเกิดขึ้นภายใกา ถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็จะได้ได้ได้ระระระระได้กำจัดไปได้ถ้ากานมัวไปอยู่ที่อื่นเช่นกายอที่นีใจอยู่ที่นแต่มัวไปทุกถึงคนนี้คนนี้ทง่นั่นที่นึักเก่ความคิดที่หนาใจที่หนาจะไม่รู้สึกเลยว่ากำลังไปกนลังเผลอใจอยู่แต่ถ้ามีสติจะรู้เลยว่าเอาไปคิดถึงคนนั้นเมื่เราเกิดความกังวลขึ้นมา เราต้องเรางับดับความกังวนั้นจริงด้วยปัญญาตระหรือด้วยสมาธิตระทนักสมาธิเลอกคิดถึงเรื่องของคนนั้นไปปล่อยให้เขาไปตาเรื่องของเขาเขาอยู่ตรงนี้มราอยู่ตงนี้เาไปทุ่มวานเราทำามไม่เกิดป่วยอะไรถาคุดอย่างนี้มันก็จะดับความคิดดับความกังะแต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะโงกแต่คิดถึงเขยิ่งคิดก็ยิ่งกงวยใ่ย่งวญ่แต่ไม่รู้ว่าปัญหา คือความทุกข์ความวาา ก, กัวงวลมันอยู่ตรงที่นี่จากกรงวลไปกังวลจากขังที่อยู่ตรงนี้หีือม่รือก็ต้องการล่าสังขารลากายหาถางถึงตันนั้นเพื่อที่จะจแก้ปัญหาซึ่งปัญหามันอยู่ที่ใ จ, เ, จเราระดั บ, บตรงที่ใจยราเท่านั้นหนดเองอะไรจะเป็นอะไรกับเขาก็ฝ่อยให้เขาเป็นไปท่านั้นเองเรื่องอะไรก็จบ แต่เราแก้ไม่ใด้เราไม่แก้ที่ใจ เ, เราเาไปแก้ที่ภายเราเพราะเราไม่ดูใจเราไม่ดูการไม่ดีอาจาของเราเราไม่ดูสิตไม่ดูนีคือการหลานของการภาวนาถ้าดูที่าาการวจากังดว่าใจเกิ่ทุกข์ทาทุกข์ก็รีบดับมันเสียไม่ได้เลยดับที่กับความนั้นกับคนนี้น ก, นนนกับเรื่องนั้นกับเรื่องนีน้แต่ดับทีใจนี่นแหละดับที่ความอยากในงจ อ are, àn, in, tinha, ินทท่านเป็นพยายามสร้างศักย <m ell an> ุทิยปิตากนภาษาสร้างสัทธาด้วยการป้องกันความจำจากรู้เข้าหากกูบาจายอยู่เรื่อยๆเพื่อการจะเรน้เก้าม้าในทางธรรมการแดงการสังคความรตวเป็น 我想<音樂>，我想，我想，我想，我想，我<音>想<樂>，我想，我想，我想，我想， ไปไปฏิบัติธรรมก็นี่งไปได้อยู่ักหนงที่พต่อมาเริ่มทำงานเยอะขึ้นก็เกิดภาวะที่ตัวเองเรียกว่าเป็นช่วงคนดีท้อแท้ก็คือคือเหมือนกับว่าเราทำไมต้องทำทำส่วนที่คนอื่นเขาไม่ทำยากนันเพราะว่าเขามัวแต่ฉลาดที่จะทำอะไรให้ตัวเองก็เลย กาเลยเริ่มเริ่มไม่แน่ใจว่าเราควรจะทําหรือเปล่าความติดมันอยู่ที่ความคิดของเรนเราคิดแต่แนวทางของกิเลสกิเลสมั น, นย่อมคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นถ้วเราทําอะไรเราต้อได้รับประโยชน์ใจความจริงแล้วประโยชน์ที่ได้รับนี้มันมันมีข้อาจำกัดหน่ยด้วยเพราะประโยชน์ทางโลกนี่มัน มันไม่เกี่ยวกันขาววันได้หลางวแล้ว่เดี๋ยมันก็เสี่อมไปนี้มันก็หมดความหวังไปเถอะใจมันไม่ได้อิ่เ อ, อิบจากสิ่งที่เราได้มาแต่ใจมันจะอินเ อ, อิบจากสิ่งที่เราเสียไปแต่นี่เราไม่รู้ที่เราทำดีให้ทางเราก็เสียไปแใจเราได้ความอิ่มเอิใจได้ความสุขใจขึ้นมา แต่เราไมกจะม่ค่อยคิดทางธรรมา ก, กันเพราะว่าใจใาอาของเราเนี่ยถูกอำนาจขังเกลื่อนเพราะนั้นมันจะให้เราคืบถึงประโยชน์ที่เราจะได้ซึ่งไม่ใช่เป็นประโยชน์ชื่อแท้เองสำหรับใจแับเป็นโทษตับใจเพราะเมื่อได้มาแล้วก็จะทําให้เกิดความโลภอยากจะได้มากขึ้นไปอีกเมื่อเราทำาแล้วเราได้รางวัลได้ธําคําชมเชยแล้วก็ดีใจ ล้วเราก็หวังที่จะได้รับอย่างนั้นทุกครั้งเวลาที่เราทำอะไรใจของเราก็เลยไม่มีความติติไม่มีความภรงใจไม่เหมือนกับการทำอะไรแล้วไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้ใดทำเพราะเห็นว่ามันจาเป็นต้องทำทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเป็นหลักกัสังคมกับส่วนรวมไม่ได้เกิดจากเราโดยตรง ทำอย่างนี้แนละ้วจะเป็นญาตะเป็นการสุสละเป็นการให้เป็นถามทั้ทงวนแล้วจะเกิดความเพลียงใจสุขใจอย่งที่พระพุทธเจ้าวนะ่าครูอาจารย์ทั้งหลายท่านทํากันท่านไม่ได้ทําเพื่อหวังผลตอบแทนจากพวกเราเลยเนะ้ะแต่นิ้เดียวพวกเราจะถวายอะไรให้กับท่านหรือไม่จะ ย, ก ย, กยกสส่อย่อแสงสว่างอะไรอย่างไรท่านไม่ได้ตื่นกังวลกับนั่นอย่างไร ท่านทำเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชนกับส่วนรวมกับผู้อื่นทาแล้วให้ผู้อื่นเขามีความสุขตัวท่านเองนั้นท่านมีความสุขแล้วท่านมีทางท่านจะคิดอย่างนี้ได้แต่พวกเราไม่มีทางเราคิดอย่างนี้ไม่ได้พอเราคิดเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องไม่เสียเปลี่ยนคนอื่นทุกอยางเห็นว่าเราไป ท, ทกากิจกรรมร่วมกันกินอาหารเสร็จแล้วคนอื่นไม่ยอมล้างจาน ขอให้เราล้างคนเดียวเราจะล้งลงลงางใจจะล้างห้เมในจะล้างใจแล้วคนจะมีความสุขกว่ามนี่แหละมันมันเป็นการทําประโยชน์เป็นการทำดีเป็นการเสียสละถ้าเราเอาชนะความนิสัยความเห็นแก่ตัวได้แล้วเราจะมีความสุข เพั้นเราต้องมาปรับความคิดของเราใหม่แล้วก็อยากไปมองคนเองให้มองพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เป็นแบว่าท่านทาำมาแล้วท่านไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนมันมีในตัวของมาลัยเพียงแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงขั้นนั้นหรืเรายังไม่สามารถต่อบู้กับความรู้สึกที่ไม่ยินดของจิตหรื่าคือความเห็นแก่ตัว ที่อยากจะได้ไประโยชน์จากสิ่งที่เราทอยู่ถ้าเราสามารถเอาชนะความรู้สึกนี้ได้แล้วเราจะมีความรู้สึกที่สุขใจงคจงใจอินมใจอย่างที่เราพูดถึงเสมอว่าให้ติดทองหลังพระกันทํำไปเถอะไม่ต้องแต่ให้คนหนึน่งเขารู้ไม่ต้องให้คนหนึ่งเขามาที่ชมยินดีชมย่างสรรเสริญให้ทําอย่างนั้นไป ไม่คือการทำทาทางที่บริสุท์ไม่มีความโลกอยากได้ผลตบอบแทนอยากผู้หนึ่งพูดได้นั่มันจะได้ผล ม, มากที่สุดผลทางด้านจิตใจมีจิตใจรังรู้จารู้ความภูมิใจมีความพอใจมีความสุขใจตองทำด้ แต่ไม่ยากเพราะว่ามันมีอุประสรรคือวความหลงใหตัวนี้มันจะคอน ม, มามาให้เราคิดรู้สึกว่าเราถูกเตะรู้สึกว <c oughs> ่าเไหร่ก็จะกว่านาบ้านเาเองต่ดูนั่ะนันเปามที่เราไม่ควรที่จะคิดเราเห็นว่ามันสมศัดิ์แล้วว่าทาเสียทเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันมันเจต้องอางอเจียนเขาเอง เราต้องอ่านคุถึงมา็นล so so so ้าเราแล้วคเหนึ่งเขามากกว่าให้เราชึวยงานเนี่ยวันที่เขาไม่ให้มาขอผมตอบแทนอะไรจากเราเลยทากวันเนี้เราจะต้องจัดกัรเขาอะว่าเราจะต้องอ่านตัวเราเองว่าเราทำงานถึงชื่อเห็นไหมขอให้คนหนึ่งเขาต้องมาทำในสิ่งนี้ให้กราความรู้สึกใหญ่นึกว่าเราเสียเปรียบหรือถูกเอาลัทธิเปรียบ ทางทำนเป็นอย่างนี well, ้ทางทำนั้นเป็นเรื่องของจิตใจและเป็นเรื่องของการที่ต้องเสียสละธรรมชาตินี้ก็คือเสียสละเสียสละประโยชน์สุส่วนตนเพื่อประโยชน์สุดของส่วนรวมก็ดีและของผู้อื่นก็ดีทำแล้วมันจะทาให้เกิดจิกใจที่แท้จริงในใจของ แต่างเาโยมก็ทาได้กับคนบงคนใช่ไหมกับคุบาจา น, นี้เราทาได้ท่าบรรยายอะไรท่านเออนอะไรเราเรยังดีทดังท่าหลอนก็มีความตกใจแต่ท้า้นกับคนนึ่นเราทาไม่ได้เ <c oughs> น, นี่ก็ตรงมือนกันเราไม่ดเลยเรายังไม่ไม่แยกแยะ ว, ว่าทำแล้วมันได้คนบางคน <c oughs> เรายังจะเช่ว่าทําปบิุบาจานาได้แต่ทำกคนอื่นเราไม่ได้ พระพุ้งต้องคอยสอนพระเลยกับญาติโยมถ้าท่าน อ, ออยากการักษาสถานทจะให้รักษ า, าพระส่วนเกิดเนี่ยความหมายก็คืออยากให้เราได้ทาความดีเพื่อเราจะต้องมีความสุข mm hmm. มือนกับที่เราได้ทากับพระพุทธเจ้าความหมายเร็นี้พระพุทธเจ้าองคเดียวเราจะเหมือนเป็นไก่เราจะไปรักษาท่านคนเดียวได้ไงต้ง mm hmm. ให้ ร, รักษาคนอื่นแท แท่ที่จะสลายเงนให้หลงวงต า, าไปสร้างโรงียาบาลเราก็ไปสร้างประเด็เลยก็ได้ท่านจะเล่นไม่ต้องเ <c oughs> น, นื่อยได้ของเข้าไหร่อะไรแต่เมื่อทำาะไรไม่ทำอย่างนั้นท่านเลยต้องทำท่านต้องเป็นคนรับภาระรับเอาเงินจากพวกเราไปทำอีกทีผลก็คือได้น้อยกว่าเพราะเราไปไปูกติอยู่กับตัวท่าน ใจเราไม่กว้างพองยังไม่จับเพริดตาั mm hmm. นี่ยนี่เจ้าก็สอนไม่ใช่จับเพริดตาไม่ใช่หงตาองเดียวเรื่องพระพุทธเจ้าองเดีย ว, ย ว, ยวแต่จับเพรักตาในเรื่องของการจากคะในเรอของการส่งเคาะช่วยเหลือกัน mm hmm. อย่าไปแยกนี่ว่าเป็นคนดีเป็นคนชั่ว mm hmm. คนชั่วเขาก็มีจิตในการเขาก็ เขาก็ต้องการความเมตตาเหมือนกันเมื่อเราให้ความเมตตาแล้วความเมตตานั้นแหละจะไปทําลายความชื่อของเขานะเพราะคนที่คนที่ไม่ดีแล้วกลับการคง็นคนดีต้องมีเยอะต้องความเมตตาเนี่แหละที่จะไปไปไปละลายจิตใจของเขาแต่ความไม่มีการเมตตาความความอะไ าใจไมใจ้ใเระดานี้ไม่ได้ไปทำให้คนที่ไม่มีคนเชื่อนี้เป็นคนดีขึ้นมาได้แต่จะทำให้เขาเป็นคนชื่อมากขึ้นไปเช่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ต้องไปเป็นขโมยอย่างนี้ถเราแทนที่จะมีความแน่ใาเรื่องเพื่อสงเคราะห์เขาเรากลับไปไปไปดูถูกเหยียดหยามหรือไป เข า, าไปด่าไปตําไปตังค์เขานี่หลายถึงอะไรก็เที่เขาทนโทษมาแล้วนะเรื่องหนึองโทษมันก็เป็นเรื่องทำไปแล้วก็ต้องใช้โทษในป่จจุแต่เราควรจะเปิดโอกาสรับเขากลับเขา้เขามาในสังคมให้ความเม่ตาเขามีงานก็เราเปิดโอกาสให้เขาได้ทำดูอย่าง น, นี้เขาก็จะมีโอกาสที่จะมีความคิด ท, ที่จะเป็นคนดีได้ แต่าจะมีบ้างในบางกรณีที่เป็นคนที่มีความชั่วอยู่ลึกเป็นสัญญาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากหรือต้องใช้ความหรืตามมากอย่างนี้ก็เป็นการมีทุกข์แต่โดยทั่วๆไปแล้วคนเราคนใหญ่ทั้งหมดทีก็ไม่ได้ชั่วเพราะอยากจะชั่วแต่เพราะความจำเป็ น, นบังท่านแต่้า เมื่อเขาทำล้มแล้วไปใช้ท่วหมดแล้วก็ควรที่จะแก้ปรญาให้เขาได้เป็นคนดีบ้างในการแผนเมตตาให้กับผยินดีก็รักเขาเข้ามาอยู่ในทังคมีอะไรพอที่จะช่วยเยอะกันได้ก็ช่วยเยอะกันไปอย่างนี้จะทำให้จิตใจคันทำนั้นออกเลยแต่ถ้าเราไป ใจไม้ใจละกํากับเขามันก็มีทําให้เขากระด้างขึ้นทำให้เขารู้ว่าเมื่อเขาเพึ่งผ่าไทยไม่ไดก็ต้องพึ่งตัวเขาเองเขาก็ต้องทำด้วยวิธีดิธีหดึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเขาอยู่ว่านั่นขอให้เราพยายามแผนกระจารให้ช่วทั่วกันทั้งคนที่เรารู้จักและคนที่เรารู้จักเขาให้ที่ว่าเขาก็มีใจเหมือนกับเรา แต่ของคนเราทั้งศาสโลกทั้งหลังนี่เหมือนกันตัฒนาความสดไม่ตัถนาความทึบเหมือนกันเทนั้นตัฒนาความเมตตาตาผู้อื่นเานั้นหกันแผ่เมตตามนี้ควรที่จะแผ่ให้เท่าึทิงอิจาระก็เสียสละให้เท่าเทิง แต่ก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นการเปนไปว่าแต่ละคนนี้ครที่จะสงเคราะห์ที่เหลืออย่อยางนั้นมากน้อยเท่าไหร่ต้องดูที่ความสามารถของเขาที่จะรับไปได้ที่นองคนไม่ควรที่จะรับไปมากให้ไปมากแล้วเขาไม่ได้อาไปทำไปก็ไม่ควรให้ไป เป็นคนที่ชอบเรื่องการพนานนี้่ถ้าเราไปสงเคาะ์ให้เงินทองเขาเขาก็อยากนำออกไปเลื่อนการพนันตรงนี้เราก็ไม่ควรที่จะให้เงินทองเขาแ้่ความเดือดร้อนทางด้าัดใจสิสส่งก็ให้ตัจใจสิไปครับก่อใจเนี่ยไปให้เงินไปซื้อตัดใจสิเพราะบางทจะไม่เอาไปซื้อปัจใจสิจอยากไปทําอย่างเอง่นแท ก็ต้องดูแต่ละการเหนกันแต่ก็ไม่แต่ก็ให้มีความเมตตาคือมีความกามินาความเมตตอเกิดขึ้นกันก็กลัมาที่เรื่องเดิมที่พูดว่าทํายนกับพระกับทำโยนกันสิรักเนี่ยตอนนี้ประโยชน์สองชั้นเนี่ยประโยชน์ชั้นหนึ่งคือทางใจเราดีเหมือนกัน มีสัพเพจัจจานตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรามาถึงส่ด น, นี้ก็ทําไปเรื่อยเรืยความคือความเมตตาเพื่อเพื่อผู้ใดจายของเราก็ยังมีต่างสุกแต่เอีกกรณีหนึ่ก็คืประโยชน์ที่จะบุคคลั้นจะเอาไปทางนี้แล้วก็ต้องดูความสามารถของเาว่าเขาสามารถทําได้มากน้อยเท่าไร ถ้าเขาสามารถทําได้มากเราก็ให้เขาบาสนับสนุนเขามางถ้าเราทําดน้อยหยือเอไปท <ừ> ําในสิ่งผู้กระทำโทษเราก็ไม่สนับสนุนเช่นให้เงินท อ, องคนก็ให้คนดีคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เงินมาเทา่าไหร่ก็เอ า, เปาออไปทําสงเคราะหา์โลกเหมือนเราให้ไปเท่าไหรก็ให้ไเถิดแต่ถ้าให้กับคนที่เอาเงินนี้ไปเสพยาเมามาเป็นปเล่นการพนัน แต่เที่ยวเมองนอกนี้นก็ไม่ควรที่จะให้ ข, <c oughs> ของพวกนี้นก็หาเขาเองแ้่เขาอยากจะอยากอยาทายดังนั้นการทำบุญก็ต้องเลือกคนในกรณีที่จะให้เขาทําประโยชน์ส่งเสริมเขาให้เขาได้ทําประโยชน์ก็ต้องเลือกคนทํากับคนดีคนดีจะได้มีมีเครื่องม้าเครื่องมือในการทําความดี แต่ในเรื่องของาการทําทําบำเพื่อให้เราใจมีความสุขเนี้ยเราทําได้กับคนทุกคนที่เดือดร้อนเมื่อว่าใครที่ต้องเดือดร้ อ, อนเขาทางคนขอทานก้าวถานนเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างนี้เราก็มีความสุขใจถ้าเท่ากับเราเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ก, ก็มีร่างกายเหมือนกับขอทานคน่งเหมือนกันขอทานเขาก็มีร่างกายเขาก็ต้องาการอาหารเหมือนกันหิวก็หิวเหมือนกัน ความต้องการเหมือนกันเท่ากันทางด้านากัจจสีแล้วเราสงเคราะห์โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเราก็จะมีความสุจใจเท่ากันที่จริงเคสอย่างที่ออิถามเนี่ยนะฮะคือเออมีคนเอาเปรียบแ้วต้องไปทํางานแทในให้เขาอย่างเงี้นะส่วนในความเมตตาเนี่ยนะที่จะอยากพูดถึงนี่ก็คือพยายามทำให้มันเสมอกัน ตัวใครกแล้วแต่แต่ส่วนที่การงานที่ควรจะทําให้เขามากน้อยแค่ไหนอันนั้นต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมครับท่นาทนอาจารย์ครับมลาที่กานะาขึ้นมานครับงานของเราเราก็ทํางานของเข า, าเขาก็ทาเข า, เ า, เาไม่ทําก็เรื่องของเขาถ้ามันเป็เรื่งานของเร า, า, เ า, เราแต่เราจะเป็นต้องทําให้เขาบุกทุกสัต์ทุกสิ่งไหมครับถ้ามันในเมื่อเขาล่าลอยไม่ทำเราไม่ต้องทําเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นหน้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันเป็นส่วนที่เราต้องอ มันมันเกี่ยวกับเราด้วยเราต้องทําคือทําร่วมกันเนี่ยแต่เขาเขาไม่ยากทาเขาที่ควรเราก็ต้องยอมทํำไปก่อนเขาจะสุนลมจะเสียถ้าเราไม่ทํำเราให้เราคิดว่ามันมันไปไการนี้ไปในตัวแต่กันส่วนที่เกิดส่วนที่เราต้องทําทําให้กับเขาเนี่ยแต่มันพอดีมันอยู่ในกรณีที่มันต้องทำถ้าอย่างนี้ฉะนั้นงานของเราก็เสียไปด้วยเพราะเป็นตัว นะคาับเป็นเป็นผลงานร่วมกันอย่างนี้บางทีในสมัยเรียนวิทย์เนี่ยบางทีอาจารย์เขาจะจัดกลุ่มกันเพื่อนสองสามคนให้ทํา ง, งานโครงการใะโครงการหนึ่งคนคนหนึ่งทํามากคนหนึ่งทําน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทรําดินไปก็แล้วกันทำมากเราก็ได้เห็นไปเราได้ปัญญามากขึ้นเราได้มากขึ้นต่างๆในทางของเราแต่ถ้าเราทําให้เขาเนี่ยโดยที่จิตเรานี้ไม่มีความเมตตานะะ เราก็จะมีความกดขูข่ใจ เ, เราจะขุดใจเราจะไม่ได้บุญ ต, ต, ต, ตรงนั้นเพราะว่าใจเราไม่ <laughs> เราทำเพราะความจำใจไม่ได้อยากคืนไ่างไงกว่าทุกวันนี้หน้าบ้านเขาสกปก บ, บ้านเรามันจะตกปกไกด้วยหรือเปล่า่นเองครับ ท่นนนานท่านอาจสอนแต่ตอนแรกนะคะคือจะ ข, ขามเนี่ยันเปลีป่ยนไปทุกวันส่วนเกิดเนี่ยเิดเีการ <c oughs> ที่เกิดเปลี่ยนแปล ง, งเป็นอ า, าการของติดถุกนะคะเราทำนี้ไในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทวนกระแสกลับมาเพราะจิดเดิมไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะคือจิตเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับญามยามมันก็เป็นยามในตลอดเวลาแต่มันอาจจะมีคลื่นมีความร้อนมีควา ม, ม ตามอากาศตาใมันเปลี่ยนไแต่น้ำมันก็ยังเป็นน้ำอยู่จิตของทุกคนเนี่ยมันก็เป็นจิตเหมือนเดิมคือผู้รู้ตัวนี้เหมือนเดิมแต่อาการในของผู้รู้นี่มันมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพตามสิ่งที่มาสัมผัสมากระทบตามกิเลยที่มีในจิตในของดวงนั้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะอะไรมาสัมผัสแล้วเกิดความโลภมันก็มันก็โลภขึ้นมา เวลามาสัมผัสแล้วทำให้เกิดความโกรธมันก็โลรธขึ้นมาแต่แล้วมันก็หายไปเลยพอมันโลภเรียลแล้วมันหายไปมันโกรธอันนี้ก็หายไปแล้วมันก็กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่เคยเป็นอยู่ของมันระดับของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคือมีขึ้นอยู่กับมีกิเลสมากกิเลสมันก็จะอยู่ของมันเลยแต่ถ้าเราปรับพยายามตัดกิเลสออกไปเรื่อยๆระดับมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดคือไม่มีกิเลสมัน ทีนี้จิตมันก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงทีที่ทําให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวจิตเหล็กนี้ตัวโลกข่มเลยอภาที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนันเป็นจิตเดียวหรือไม่คะนั่นต้องเป็นจิตตัวเดียวกันนะเรียกว่จ<น>ิตเดียวเมื่อจิตอะไรพระราษฎร์นะมันก็เป็นจิตดวงเดียวกันจิตสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นท้าราชโอสกดิจิตที่พระพุทธเจ้าเป็นพระอาจาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นจิตดวงเดียวกันต่างกันที่สภาพในจิตนั้นมันสะอาดหมดจ นะน้อยต่างกันเนต่ยเป็าราชวโรจเ์ืี่ได้ได้ได้ทําการไม่ได้อะไรธรรมะมาในระดับของพระพระโพธ<อ>ิสัตว์แล้วซึ่งก็จอาจจะพวกพุทธชนอย่างพวกเราท่า น, นมีทานมากกว่าพวกเราอย่างสมัยเป็นพระเวสสัดนดรเนเราเปรียบเทียบเรากับพระเวสสันดรดูมาแล้วสั ง, ออาง่าเราเราทําได้อย่างทาง่นนนงานหรือเปล่าแสดงว่า การสาดของใจของท่านนั้นก็มากกว่าเรานะแต่ยังไม่พอเพียงยังทํายังมียังมีโลกโกรดอยู่ในระดับของท่านที่ท่านยังไม่พอใจท่านยังต้องปรับมันอีกกําจัดมันชำระมันไปอีกจนกว่าจะถึงจุดที่มันไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วท่านถึงจะได้ความพอใจของตนที่ใจตรงนั้นก็ยังเป็นเหมือนน้ำสมุนไพรน้ําที่มันไม่สะอาดอย่างเนี้ย น้ำที่มีมีสิ่งอะไรต่างๆเกลื่อนอยู่แล้วเราเอาใส่เครื่องกรองน้ำแล้วก็กรองมันไปชั้นแรกแล้วมันก็ยังไม่สะอาดเต็มที่มันก็ไปหาที่กรองที่ละเอียดกันนั้นกรองมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีอะไรหลงเหลือติดอยู่มาในะ น, น้ำน้ํานั้นก็ยังเป็นน้ําเหมือนเดิมน้ําที่ต้นทานกับนะปลายทางนี้ก็น้ําอันเดียวกันต่างตรงที่ว่าน้ําปลายทางนี้ไม่มีสิ่งที่ ก็เขาบปกเทียบกันแค่นั้นเองงั้นบาคนเขาพูดว่าใจของบุตุชนกับใจของผู้เจ้าไม่เหมือนกันเี่ยถูกแล้วถูกตรงที่ว่าเป็นใจเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าความบริสุทธิ์ไม่ไม่ไม่เหมือนกันเองเหมือนเราอาบน้ํากับไม่อาบน้ําก็คนคนเดียวกันนะคนที่อาบน้ํำกับคนที่ยังไม่อาบน้ํามันก็คนเดียวกันต่างกันไม่เรีจะอาบน้ำมันมันสะอาด สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันต่างอย่างอย่างอื่นก็คือมันมันมันไม่เปลี่ยนแปลงการการเวลาหมายถึงว่าตัวจิตเองเนี่ยตัวตัวผู้รู้เองเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นผู้รู้มาตลอดเวลาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวผู้รู้นั้นคือคือจิตเหล็กที่มีอยู่ในนั้นหรือธรที่มีอยู่ในนั้นมันมันมีมีขึ้นมีลงมีมากมีน้อยแล้วแต่ว่าจะไปทําทำกรรมอะไร ถ้าทํากุศลกรรมก็ทําสร้างสร้างธรรมะให้มีมากขึ้นปีเลศก็น้อยลงถ้าไปทําอกุศลกรรมมันก็ทําให้เกิดปีเลศมากขึ้นทําให้มีธรรมะน้อยลงไป อ, รรรยอย่างนี้ที่เรียกว่าอาการหัวจิตนี้ไม่ใช่จิตใช่ไหมก็มเป็นอาการหัวจิตก็เหมือนกับเวลาร่างกายไม่สบายมันก็เป็นอาการของร่างกายปวดหัวตัวร้อน็บท้องอะไรมันก็เป็นอาการ แต่ว่าไม่ใช่เป็นร่างกายมันก็มันก็ถูกเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวร่างกายที่เป็นแต่มันเป็นอาการที่เกิดออกมาจากร่างกายจิตโรคจิตโกรจิตหลงจิสตสงบจิตกุ้งซ่าเหล่านี้ก็เป็นอาการของจิตเนี่ยแต่ไม่ใช่มันก็ออกมาจากตัวจิตนี่ยตัวจิตก็เป็นไปด้วยมันแต่เป็แล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างถาวรเป็นแล้วมันก็หายไปเราสามารถแยกออกมาได้ ถ้ามีสติมีปัญญ า, าก็ยางมาได้คือพอรู้ทันก็รู้ว่ามันเป็นอาการเป็นเหมือนกับอาการสุขะเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาเรียนเรียนแล้วจิตไม่ไปไปวุ่นวายไปกับมันเองมันจะอยู่ก็ต้องปว่อมันอยู่ไปถ้าถึงเวลามันจะดับมันก็ดับไปเองอาจะดับได้ ท, ทันทีถ้ารู้ทันเพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากการไม่รู้ทันของจิตไปสร้างมันขึ้นมาเองคือความหลงของเรา พอเราไปกังวลเรื่นั้นเรื่องนี้พอเราไม่รู้ทันว่าเราไม่ควรที่ Normally, anyone, s <S จะไปกังวลพอเรามีปัญญารู้ทันว่าเราไปกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไ่แก้ปัญหานั้นไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างน้เป็นต้นพอเรารู้แล้วเราก็เลิกกังวลและความกังวลใจนั้นมัน้อหาอะไปตัวใหญ่กว่าเราเชอากังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอน ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะอะไจะเป็นยุติศาสอะไรตระเวนไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่กังวนก็ได้มีทางเลือกไงจะกังวลก็ได้ไม่กังวลก็ได้แต่เราไม่เลือกกันเราจะเลือกที่จะกังวลกันเพราะเราไม่ยอมรับผมที่นราไม่ตัดพนานถ้าเรายอมรับอ่ามันก็เท่ากันคผลจะออกมาบวกหรือลบ ใจก็เท่าเดิมเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายใจยได้ทาเรื่งที่ทำได้ก็คือทาลายใจยได้ก็คือความหลงของใจนั้นที่ไม่รู้ทันกับกับสภาพคุ น, นต่างๆไปยึดติดอยู่กับสภาพมังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วก็กังวลว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไป แมื่ออาทิตยน้ามันหนาวเนี่ยก็คิดว่ามันจะหนาววันนี้มันจะหล่อหน้าตาอยากให้มันหนาวไว้ตลอดเขาต้องห่วงฟองไม่หนาวขึ้นมาก็ต้องไม่สบายใจอยากจะให้มันหนาวไั่นอยากไปกังวลต้องต้องต้องต้องเป็นอุเบกขาหรือเป็นฝันดุให้คอยใจจากทุดสภาวะ ที่ปากฏขึ้นมาความกังวลนั้นก็จะหนับไปอยากไปยึดติดกับสภาพใดสภาพหนึ่งสิง่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันไม่ถาวรมันไมมันไม่คงเส้นคงวาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปสนนเสมอเช้าหรือเร็วเั้งนั้นเอง ตัาไอขเรากา่อเส้นแจ็คเนอร์กดียุ่งไม่เหปัญหารู้จำคุณอธิบายแล้วก็ขียนได้ด้วยจริต่อไปนี้งถเลย้าเอพูดแกไรกคือนึกคิไย็ถามด้วยกันยา การทาถามเด็กลูกไหมนะคะเวลาทําทําอะไรถวายตั้งใจไปแล้วลูกทำหรือทำเขาเนี่ยเดือนกันยาเด็กจะได้รับสิ่งที่ลูกได้ไหมท่านบอกว่าได้เหมือนกันกั่ได้น้อยตอนนี้พอดีเขาไปถามปัญหาอันนี้เขากลับไปถามดวงตาอีกดวงตาบอกได้แต่ลูกเพื่อจะดวงการทัานตอในวงกว้างคุณไหมคะท่านก็บอกว่าได้เขาก็เลยมีข้อสงสัยหมายถึงว่าถ้าเขาลฝากตาลูกทำเขาไม่ได้ฝากแต่ลูกทําใำแม่เนี่ยทําให้ลูกด้วยเผือลูกด้วยเนี่ย แต่ารยก็เคยบอกได้สักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยของขาดของาแต่นปุ๊บอนู่มทนาเลยเขาจได้เาก็ได้าได้นู่นโมทนคนเราบัญชีนคนบัญชีแตท่านอาจารย์ท่านตอบในว่าไ่าอย่างมันแล้วแต่คาถามที่ถามท่านอย่างนี้ คำถามแล้วมันต้องตอบแบบนั้นถ้าก็ตอบแบบนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือว่าอยู่แต่เราจำคำถามไม่ได้เราจะมาพูดเกี่เทียบตอนนี้มันอาจจะคาดเคลื่อ น, น, นไม่ขอไม่ข อ, ขอกราบถึงดีกว่า แ, แต่ถ้าถามโดยโตรงว่าเรื่องการให้มันต้องให้ของที่เป็น ข, ของเราเราถึงจะได้ แต่อง so so like ่ว่าโยมให้เอาเงินท่าขนมของลูกบอกอาทิตย์นี้แมาไม่เอาไม่เอาเงินท่าขนมลูกมาทําำบุญนะถ้าถ้าลูกบอกครับครับดีใจด้วยเี้ยเขาจะได้เป็ที่เพราะเป็นเงินของเขาแต่ถ้าเป็นเงินของโยมแล้วบอกแม่จะทําให้ทำบุญให้กับลูกนะลูกเขาไม่ไดความรู้สึกอะไรเขาก็ไม่ได้เสียอะไรมันได้เกินเขาได้ตรงที่อนุโมทนา คนเราบัญชีเนี่ยเขาเขาไม่ไม่มีความรูสุกที่ไม่มีกันอย่างนี้คือบางคนนี่เขาตัวเองไม่ทำแล้วไม่พรอมไม่อยากให้คนอื่นทำด้วยเข้าใจนะถ้าเงินของตัวเองก็หโผงแล้วยังไม่หวงเงินของคนอื่นคจอเช่นเงินของแม่ก็ควต่อไปจะเป็นของตัวเองใช่จะสบายลยว่าาแม่ไปทาแล้วไม่ไม่ตัวเองก็กลัวจะไม่ได้เพราะจะไม่มีมาหลมออยู่ ให้เงิแม่ไให้แม่ที่ฐานแล้วก็มาไห้เนของเองให้แ่หลงางเอสุว่าโยนให้เงินไปแล้วโยนขาดตัดขาดไปเลยใช่ไหมนูมีเงินอยู่กานีให้แม่แล้วถ้าเกิดแน่เขบอกว่าช่วยไปทำบุญให้หน่อยท่านก็ได้แต่ถ้าเราไปบอกว่าหนูจเงินตอนนี้ไปทาบุญได้แหมไม่ได้น่ก็ได้แันนโมทงานเท่นั้นก็คือไม่ขัดขวางเรา ที่ทำยดีไปกับการทำของเราท่านเปี่นบอกว่าเราวันนี้เราจะไปทาบุญนะคะแล้วโดยกปกติท่านเราก็จะบอกแม่ป้าว่าเดี๋ยวเรจะไปทาบุญนะคะแต่ถ้าคราวหน้าหนูบอกว่าเออวันนี้หนูจะไปทาบุญนะแล้วเหมือนกับเป็นจิตใจ ว, าวา่าแม่หนูจะต้องเอาเงินมาให้ ห, ลลหนูเนี่ถือก็ได้เนีคะ่านจะจับม่ให้ <c oughs> ใช่ไห้ <c oughs> อุบายจอมหรนอเป ล, าล่าแ ม, แม่แม่เอาเงินของแม่ฝากมาทำบุญเนียก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าไม่ให้เลยก็จะไม่ได้เลยก็ได้ตอนถ้าไม่ใ้ตอนนมมุทนาก็ได้ด้วยนะถ้าก็ไม่นิมมุทนาเขาก็ไม่ง่ายเขาใจก็จะไม่สบายใจเขาอาจจะเสียดายแทนเราเสียดายงนแแเราแล้วถ้าเกิดในกรณีที่แต่ว wow. ่าเราทาให้รือจะให้คุณแม่อย่างเงี้ยแล้วไม่ได้บอกคุณแม่คุณแม่ต้องทกัราในนมนาด้วยเขาก็ทาไปได้อีกใช่ไคะเราคิดของเราเองอย่างเงี้ยที่ไม่บอก ก็ไม่ได้เพราะมันก็กลายเป็นของเราถึงแม้เราจะทําให้แทนนะคบไม่คือที่ราทานนี้มันก็เป็นของเราอยู่แล้วไม่ว่าแม่จะรู้หรือไม่รู้อันนี้ไอ้เยท่าที่เราทํานี้เป็นของเราบุญ ท, ท, <ร>ที่เราได้ก็เป็นของเราแต่ที่แม่จะได้ก็คือเวลาที่เราไปบอกท่านแล้วท่านเชื่นชมจริงๆเนีย่ยว่าท่านมีความสุขไปกับเราอันนี้ก็เป็นบุญอย่างใหญ่ ถ้าเกิดน้าเป็นคนทนเลาะเสียดายแกับเสียใจแม่ก็ไม่ได้บุญส่วนนั้นไปถ้าเราไม่ได้บอกนะคะัไม่บอกแม่ก็จะ ไ, ไม่เสียใจแม่ก็จะเฉยๆก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ท่านอาจารย์ครเวลาที่สื่อมสูงมูง่แปลกนี่เรวาดาเนี่ย น, นี่นี่อีอย่างเลยนนีนี่บุหรี่มันเชี่ยชีบรันชี <dle> กเกิดจากการนมุนนาบุญไม่เกิดจากการอดทิ้ ง, ง, งเ <dle> ถ้าคุณอยู่เวลาเราทำนี่เราคิดที่แม่แม่ก็ต้องได้นถ้าแม่อยู่ในฐานะที่จะรอรับก็ได้รอรับได้ถ้าไม่อยู่ในฐานะก็ไม่ได้บ า, าทีศีลง่านสูงกว่าท่านก็ไม่จาเป็นต้องรอรับมั น, นี้เปออกแล้วเปิดหมดแล้วเราทำถ้าเราอบกันให้กับคนเขาย่างแบบสมัครสมังแต่าในแต่ละทางความคิดต่างใจมัน้ ถ้ามีคือคนขงทางที่เราทําในหมวดข้อจำกันกับบุคคลคนเดียวการลักษณะเดียวกันว่าทำปรับเพิ่แต่แล้วแต่ละครั้งข้อจำกแล้วมันต่ำกวมันมันมันเป็ความรู้สึกที่ผมเคยถามได้เลยจางว่าทําไปทำมือหลงตาแล้วมันปรับเพิ่มมันแล้วแต่วันบางวันเรามีเยอะ จิตเราไม่พอใจเขาเนี่ยบางทีเราทํำไปวันนั้นก็อาจจะไม่ได้ทำเท่ากับวันที่เราไม่อยู่เรื่องกับเขาก็ได้เกราะที่เราทะเลาะกันแล้วเราต้องทําให้เขาคนนั้นทาแล้วไม่ค่อยทำไม่ีความยินยิ้มกใเท่าไหร่เอาเดียวกันเห็นไหว่าถ้าถ้าเราทําแล้วถึงแม้ว่าเราจะวันนั้นจะไม่พอใจเขาแต่เรายังทําอยู่เพราะเรามีความแน่แน่มั่นคงกับการทํา เราก็ยังจะมีความสุขใจเถ้าวนได้แต่ถ้าเราเอาความรู้สึกที่เราไม่พอใจเขามาเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกนั้นมันก็จะมาขวางควา ม, ม, วามใใสุขทางใจนั่นเองเกิดทำให้ความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันท่านครับ่านบอกว่าบุญผู้ทําเป็นผู้ได้ ก็เราแผ่สังกุศลไปนี่หาประมาณไม่ได้จะแผ่ไปมากแค่ไหนกไ็ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นมันเป็นโงหาะมากกว่าคือไม่ที่สิ้นสุดก็คือว่าบนนี้มันไปได้แล้วแต่ว่าผู้ที่รับนั้นอยู่ตรงไหนมันก็ไปได้แต่ผู้ที่รับนั้น <c oughs> เขารับได้เพียงนิดเดียวเพราะฐานะของเขาเป็นเหมือนกับภาชนะชีวิตของเขานั้นรับรูนน้ได้เพียงเลี้ยวเดียวของคนที่เราทํา เมื่อเราทำร้อยแล้่เราอุทิศไปเนี่ยเขารับได้ถึงหนึ่งส่วนเท่า น, น, นั้นเองที่เก้าสเก้าส่วนนี่น เ, นเขารับไม่ได้ดเพราะเขาไม่มีฐานะไม่มีภาชนะรองรับยิ่ในใจของเขาขึ้นเนครับแต่แม้กระทั่งบุรุษปัจจีรีกไม่นมด้องอย่างนี้เพราะเขาเฉอยหลังท่านี้เท่าที่ได้ยินมานะนันไม่ได้อยู่ที่เบอร์ปรัจน มมนอยู่ที่ผู้รับอยู่ที่รับฐานะของผู้รับว่า ม, ม, ม, มีพินิีชนะรองรับได้มากไหมไท่ะคือขั้นการแผ่ไปกับรูปแผ่ไปยังไปผีนี่รับทุองรับจากเพืเ่นกันได้ไมลูปแผ่ได้หรอไหมคะ <c oughs> ไม่ยังเป็นนะที่ว่ามันไม่เกี่ยวนอานจจว่ากันด้วยความบริสุทธิ้ใจของแตบบ่คนที่แผ่ไปไม่ไม่เสมอกันหรือเปล่า เราของคุณไม่เท่ากันของาจารย์เยอะกว่บางเปอเซ็นก็เยอะกว่าเราดอนลก็ถือว่าทาในในขณะในชีวิตอยู่ได้มากกว่าแต่ร้คนอื่นรอยู่ไหมไม่ทำให้คนอื่นอยากให้ชอบมาก็ให้เขาทำตามที่เขาในชีวิตอยู่เวลาาก็ตตามมีตามเกิดการดงกรรม ตามตามฐานะของเขาไปดีทําแต่คนจงดีขนาดไหนแต่คนรับไม่มีที่รับก็รับไม่ได้ซึ่งไปตอกนรกเลยกังนั้นก็รับไม่ได้หรือไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็รับไม่ได้ดังนั้นมีมีมีพวงเดียวพวกพวกเกิดนะที่รับได้ที่เรารับอยู่เพื่อนั้นด้วยกันที่เรอรับอยู่แต่พวกอื่นนี่เขาไม่ต้องรอรับเขา เขาถ้าเป็นเอกสารเขาก็หาของเขาได้เช่นเขาหิวข้าวต้องหาข้าวกินได้เขาอยากจะเสกกรมเขาก็หาคู่ของเขาได้แล้วเป็นมนุษย์เขาก็หาความสุขของได้เป็นเทพเขาก็มีความสุขของเขาอยู่ถ้าตกงานแล้วเขาก็มีแต่ความเึลียเม้าไม่เห็นความสุขให้ส่งไปความสุขให้เขาเขาก็เขากเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเขาก็ชุบอยู่ไปแล้ว เป็นคนที่ทุบแล้วชวนก็ไปเที่ยวเขาก็ไม่อยากจะไปใช่ไหมไม่มีความสุขที่จะเที่ยกวก็อย่างนั้นแหละเหมือนคนจุกเปลนี่เป็นเหมืพวกที่ไม่<ะ>ไมีบ้านเเป็นพวกที่ถูกปล่อยมาจากคุกพวกแต่นี้เหมือนพวกที่เพิ่งออกมาจากนรก แ, แล้วไม่มีบุญเก่าพอที่จะส่งให้ไปไปเกิดได้คงได้ค ง, งเลยก็เลย ในไรอย่ายใๆว่าจะเป็ดจะปาอย่างหาหาทางไปหาที่อยู่ก็เลยอยาจะหาอะไรแค่ว่าประทางที่ไปวันวันหนึ่งก่อนก็ได้อาศัยบุญกัพิษนนที่ขึ้นไปน้มีนิสัเยอะมากเลยนะครก็ไม่ๆๆๆมนิัยยไม่เยอะเมืนก็แกนี่มันเกิดจาก จากติดที่เวลาที่มีฐานะดีแต่ไม่ไม่ทำดีไม่เสียตสละมีแต่ทําโยกความอย่างได้ของผ่นได้มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบเช่นปิดสินติดธรรมก็จะทํำให้ใจเป็นไปแต่บางทีต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนเพราะว่าวิธีที่ไม่ชอบนี่มันมีเทศใหญ่กว่าเช่นอยากจะได้เงินของคนอื่นแล้วก็ไปฆ่าเขาก็ต้องไปใช้ใช้ใช้เโทาในนรกก่อน เราออกมาถึงมาเป็นเต๋แต่ถ้าเราไม่เราสมมติเราทำดีให้ทาติอยเสมอตลอดเวลาใจเรากว้างเราไม่เสียไดไ้แต่วันดีจะมีเกิดมีใครมาทําให้เราโกรธมากเราฆ่าเขาตายสมมติเราไปตายไปแล้วเราก็ต้องไปใช้กรรมในนรกเหมือนกันแต่พอเราออกจากนรกนั้วเราอาจจะไม่ต้องเป็นเต๋ เพราะเรามีบุงที่เราทําเราเยู่อย่างสม่ำเสมอก็ทําส่งให้เราไปเกิดในสวรรค์เลยก็ไดเป็นเทพเลยก็ได้ เ, เ, เดิน ม, มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็ได้แต่ว่าเมื่อไปทําโทษไปฆ่าผู้อื่นนี้ก็ต้องไปใช้กรรมนี้เมื่อหมดกรรมนั้นแล้วก็มันก็จะมีบุญที่เราทําไร้อยู่นี้มาอลอมหลอมทีเราก็ไม่ต้องมารอใช้บุญทิศของผู้อื่นไม่ต้องไปเคาะประตูบ้านคนนั้นคนนี้ให้เขาต้องเลย โมกตกใจโกใจเหมือ <c oughs> น, น, น, นในนิทานรือในเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทรงที่มีพระเจ้าเป็นหัวลูกหนึ่งที่ว่าท่านมีใครมาสร้างเสียงรืคอคดโนมาแล้วนอนไม่หลับอะไรเนี้ยท่านต้องมากราบคุนทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นอามาตเก่าที่ไปเป็นกันมาก่อนในชาติก่อนๆนี้แล้วอะมาตนี้มีจิตใจที่ ไม่บริสุทธิอยัอยกยออเงินของพระเจ้าแผ่นดินเงินที่พระเจ้ญญาพระเจ้าแผมีดินฝให้ไปทำงุนทำทานก็ายักยออถูกไวความสวยเมื่อตายใจก็ไปตรงนรกก่อนเมื่อออกมาจากนรกก็ไม่อยู่ที่ไปก็คิดถึงเจ้านายเก่าก็อา <c oughs> ข อ, ขอคาวามชื่อเสือ อะไรนะกันเนง่ยผปันปันเรื่อง้เลยนะครับต้ว่าพวกเรามุ่งตรงงานอย่างเช่ว่าเพราอปัจจัยอะค่ะหรือว่าคนที่ผิดธรรานคจะสามารถสร้งคนได้ไหเพราะเาเขาก็มีเกณฑ์เหมือนคนที่ไม่ใช่เป็นธรรมเนี่ เขาาก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันด้าท้าเขาเกิดมีจัตตาวความเชื่อนษษษษในพุทธศานาอะไรก็ทพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมความโลภความโกรธความหลงเขาก็บรรลได้เหมือนกันไม่างกันเพียงแต่ว่าเชื่อในข้าวี้มันไม่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปเท่นั้นเองมันเกิเป็นขาวคนเทศเดียวกันเท่านั้นเองแต่ตัวที่เหลือเป็นตัวเดียวกันเือารมราค่านี่ก็เป็นตัวเดียวกัน เพียงแต่เราไปชอบเพศที่เหมือนกันเท่านั้นเองเหมือนกับคนที่มีการมาหลาค้าแล้วชอบคนรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ไม่ชอบคนรูปร่าหน้าตาแาบนีนบนนนาาแน้แต่เราไม่ถือว่าเขาผิดเพราะว่าเขายังชอบที่เพศตรงขันข้ามอยู่แต่พอไปเป็นเทศตรงกันข้ามครับนี่เราตอบไปว่าเขาผิดพรยิ่งมันขีดทางด้านส่ว น, นมติเยอมากกว่าทางด้านสังคมความรู้สึกนิคิดแต่ทางด้านคุณเหตนี้มันมันเท่ากันมังมีคุณเหตเหมือนกัน นม่ต่างกันจริงแต่ว่าศาสนานี้บางทีมีข้อแม้บางอย่างเพราะว่าถ้ามาเดี๋ยล้วมันอาจจะวุ่นวายอยู่ป่าเดียวกันวุ่นวะแล้วก็ั้าผู้หญิงบวชยังยังยุ่งยากเลยถ้ามัตอนนี้ถ้ากกับใครมาบวชก็บวชได้ถ้าเขาถ้าเขาสมมติว่าเขาไม่มาบอกว่าเขาถูกกับใคร แล้วเขาก็ตั้งวิ่ัยทำมารวินัยเหมือนกับเหมือนกับผูดอย่างเงี้ยเหมือนกับคนที่ไม่ได้สะเถินก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาปรากฏว่าเป็นสะเถืนลักษสดงดูอยู่ตลอดเวลายังเปิดเผยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่รับก็อาจจะเห็นว่าเขาคงจะไม่สามารถที่จะปรับตัวของเขาเองให้อยู่ในธรรมมารวินัยได้ทางศาสนานี้ไม่ได้ลังเกียจคนเพราะว่าเขาเป็นเพศเป็นไร แต่หลักเกียวก็ความสามารถของเขาในการที่จะปฏิบัติตาฐธรรมวินานท่านนั่นเองที่หลักเกี่ยวเพราะาถ้าไม่เช่นนั้นเราจะทําให้ปาฐธรรมวินานเสื่อมเสียทําให้สงไม่เป็นที่น่าศรัทธาเลืงใสจะทําให้ไม่เจริญเราจะไม่ทําให้มันทุกอย่างมันมันล้มไปหมดนะเพราะว่าศาสนานจะมีมีสมงเป็นหลักเลยนองจากพระพุทธเจ้าไปก็ ต, ต้องมีสมงที่เป็นหลัก ที่จะสืบทอดที่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในในศีลในธรรมหน้าคำลบเลื่อมใสเป็นหลักที่ดังนั้นเวลาใครมาบวชนี้เขาถูต้องคล้ายๆว่าจอบคำพลาดของว่าผ่านผ่านเกิงหรือม่ถ้าผ่านเกิงก็งบวชได้เพราะฉะนั้นเน้อเดียรไทยอยากจะบวชก็ามาบวชกันเมื่อนที่คนคนงพิ ก, การนี้ ไม่มีที่ไปก็บังบวดเนี่ยแล้วมันบังบวชแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติข้อคิดเาตางาของของพระนะมันก็ไม่ทำให้ใหเปที่น่าเรื่องสายสัทธาของผู้อ่ก็ต้องปฏิเสธออกไปแต่ถ้าเทื่อเหลือเข้าได้ก็เทื่อเหลือไปทางด้านปัจครสี เพาว่าเป้าหมายของการมาบวชของในทางศาสนานี้ก็เพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแะต้องทําด้วยอัตราที่ยงธรรมาทุคนต้องเป็นที่พึ่งของตนดังนั้นถ้าคนที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วอยากไปปฏิบัติเพื่อลบถึงนิพพานได้อย่างอไม่ก็ต้องดูตรงจุดนั้นเป็นหลักก่อนนะเขาพึ่งตัวเองเขได้ไหมเขาดูแลรักษาตัวไปอีได้้านนั้นมาบวชแล้วดึงระบาดได้ไหมหาจินเองได้ไหม อะไรอย่างนี้ก็ปัดจัดดูแลสภาพของที่พักให้ได้หรือเปล่าพักจีวตัวเองได้หรเ่าทมาบวชแล้วทำมาได้แล้วใครจะมาเป็นภาร ะ, ะของเขามารับดูแลเขาทนก็เลยต้องมีกดมีเกณฑ์บางอย่า ง, งกา ร, รมีคาสาอยู่ ใครมีคำถามไหมคับมีอะไรหรอเวลาจิตนึไม่แน่พอถึว่าเวลาเกิดมีสตว่าตาแล้วไม่ตัวตายได้เยแ คำว่าเกิดมานี่คำวเกิดดีคือเราคิดเป็นทุกการที่มีสภาว่าคำเกิดขึ้นน่จริงมันจะมองว่ากว่าคือบว่ามันไม่ถึงนี่ยออกุณก็เด็ดพรรรมคำพุทธเจ้าของเรนรู้จะว่าถ้่มันเกิดวัดพอตายกับลงไปแล้วมันจะเกิดมาได้กว่าที่คำเกิด เหนทีดี๋ยวทีเห็นเพื่อนที่น ท, ที่ตาลงไปแล้วแตเค น, นีางทีเจ็บบางีเยคิดไปว่ามันนั่งเบาแล้วเหมือนว่าให้ไปก็ขึ้นไปได้แต่ว่าได้ตอบพุทธโอ น, นรอคิดอเองหรืว่าเราเป็นเป็นอยู่ในตนัวของเราเองเราก็รับตอบเองมันรูนรุนกู้ในใจวย ค, คือถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็มีความมั่นใจว่าท่านไม่ต้องไเจอไ ม, ม่บานี้จิตนี้คือวาจิตที่ดีรักาน้มนที่เกิดก็ว่าแก้านานกันมาแล้ว้อดีถ้าคิดเห็นไม่ได้แล้วถ้ามีความมั่นใจข้ดี แต่มันจะเป็นไปตามความมั่นใจของเราหรือไม่นั้นก็มันเราไม่รู้ว่าพื้นกรรมที่เราทำเมื่ออดีตนั้นอยู่มากน้อยเท่าไรแต่เราไม่รู้ว่าเวลามันส่งผลมานี่เรามีความมั่นใจที่จะลบล้างมันได้หรือปั๊บถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราลบล้างกรรมที่จะฉุดล่าให้เราไปเกิดในอบายได้ทั้งนี้เราก็มันก็เป็นธรรมเป็นความจริงที่เรารู้อยู่ในใจของเรา แต่ถ้าเราถ้าเรายังไม่มั่นใจนี่ก็อาจจะเป็นความรู้สึกนิสัยคิดของเรา่เหมืนนะ อ, อนคนที่มีความมั่นใจว่าจะไม่ทำบาปต่อไป น, น <_ d ata> ว่าเรามีความมั่นใจแบบนี้นป่ะ ถ้าเรามีความมั่นใจแา บ, บนั้นก็คือว่าเราก็คงมันจะสบายต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะรักชีวิตของเรานรืหรือเราจะคือเราจะยอมปล่อยให้ชีวิตของเรานี้ s ดัแบบไปโดยที่ไม่ป้องกันเราเราแน่ใจทำได้ทุกอย่างเพรักษาชีวิตของเราได้หรือไม่ถ้าเรามีความมั่นใจว่อาอะเมื่อไตายลงมตาย แต่จะไม่ตปฆ่าใครต่อไปเพื่อป้องกันรักษาทีนี้ถ้ามีความมั่นใจในนีงง้จะชัวร์คงจะไม่ต้องก็ไม่ต้องไปงไปเกี่ยวในอะรบ้างถ้าเราไม่ทำเราไม่ทำบังนะย่าอันนี้สงของบาปเดิอนที่มันมันผ่าน ม, มามันก็จะไม่มีกันไหนที่จะมาต้านขัง ความแน่แน่มั่นค ง, ง, ง, งของของการเหเรานด้มันจะไม่ต้องประทุาการเรื่องเหล่านี้มันต้องเป็นสารทุกิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองมีความมั่นใจในตนเองผู้อื่นนี้จะไปมนนั่นใจแทนไม่ได้ แต่ก็พระพุทธเจ้าท่านก็รู้ได้เชนพระอัญญาณกุลพญายาตรู้ท่านอย่งรู้เป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าเขาเรารว่าสิทธอพระอญญลายนัได้ถึงในระดับคือแต่แต่ละคนอาจจะมีความสามารถในทางด้านนี้ไม่เหมือนกันคนอื่นอาจจะ บางคนอาจจะมีความสามารถเร่องการวาระศของตนเองแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปรู้บาระศึกของผู้อื่นก็ได้วาระศึกของผู้อื่นทจงนี้ได้บรรล้แล้วนอย่างนี้ก็มีแต่ก็ไม่สําคัญเท่ากับการรู้วาระศึกของตนเองว่าตนเองได้บรรลุแล้วหรือยังได้หุดทนแล้วหรถ้ารู้วันนี้แล้วก็พอแล้วถึงอยากจะรู้ของคนอื่นบ้างอันนั้นก็เป็น เป็นของแท่งเป็นความสามารถพิเศษที่ตามมาทีพระอาหานต์แต่รูปท่านจะมีความความาความสามารถแตกต่างกันในในใ น, ในเรื่องความรู้พิเศษตา่างๆท่านมีคามความสามารถต่างกันแต่สิ่งที่ท่านมีเหมือนกันก็คือความความรู้ว่าจิตของท่านได้หลุดพ้นจากเหตทั้งตัวแล้วอันนี้ท่านมีเหมือนกันคืออาสวรรค์ขยะยา รู้ว่าอสุราทั้งหลายได้เหนือขึ้นไปจากจิตของทัานแลแ้วนะบางท่านก็ไม่สามารถบรรลุชาติได้บางท่านไดบรรลุชาติได้บางท่านก็มีวิทย์มีเด็กตางๆอ่านจิตใจของผู้อื่นได้แ ล, แล้วเราก็ทำอะไรข อ, ขอเห็นบรรากาศหรือทำอะไรต่างๆได้อย่างนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องความรู้ทางสามารถที่สุดนั่นเลยจาก าการหยุดมมทนจากความทุกข์จึงเป็นเป็นเป็นความรู้ที่สําคัญที่สุดคือการหยุดทนจากความทุกข์การทิ้งเกลื่อนเพราแถ้าเราดูท่านจมีความรู้ลล ค, วมมความสามารถแตกต่างกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องแต่เรลูกต่างไปไปพระอาจารย์ยุท ก, ก็ทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่ฉลาดแสดงสามารถแสดง ทำให้จากผู้อื่นได้เกิดความเข้าใจได้ดีมากที่สุดในบรรดาสาวะทั้งหลายก็ทรงให้เป็นอัคระสาวกขวาทางด้านขวาอยู่ขวาของพระพุทธเจ้าโดยผู้ที่เก่งทางด้านยุดเด่นมากที่สุดคือพโมพกตาลนะเพะื่อนทรงยุ่ยเยาเป็นอัคระสาวกทางซ้ายทางฝั่งซ้าย แล้วองค์อื่นท่านก็มีความรู้ความสามารถต่างกันผ้านอนก็มีความรู้ทางด้านความศึกษาเล่าเรื่องความจํำจำประสัติต่างๆที่ท้านสอนสอนได้เพราะบาลีแม้ท้าอะไรภาษีบาลีก็ทรงเห็นทงด้านหรือด้านทางเรื่องของการอนิสงของการการการที่ท่านได้ทำเป็นาำนานมาเลย ทำให้ท่านมีความเด่นในด้านเรื่องกานรับลาภคาละาต่างนี่การละองค์นี้มันนี่เป็นเรื่องของของการบําเพ็ญมาในอดุซึ่งบำเพ็ญมาต่างกันทีพระพุทธเจ้าเงคเดียวที่ทรงบําเพ็ญได้ครบถ้วน ท, ทุกบาลีทุกชนิดได้ครบร้อยทุทกส่วนซึงทรงมีพระบาลีมากกว่าพระสาวน้อทุกทุกรูป เมื่อมาเป็นภาษาโกแล้วก็มาเดยวทางลับไม่จําเป็นจะต้องไปบาําเพ็ญส่วนเองที่ไม่จําเป็นต่อไปพอางเดียวพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนให้บํำเพ็ญแค่ทางสีธรรมะให้มาบำเพ็ญกจาจัดโลกโกรธหลวงทั้งละพอไม่จําเป็นจะต้องไปทาําทานให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรให้ครบร้อยเปอเซ็เนที่สมายที่พระพุทธเจ้าทัานบำเท็เองแต่ แต่ในอดีตที่เคได้ทํำมามันก็ส่งผลมาให้ปรากฏขห้เป็นให้มีความรู้ความสามารถติดติดติดตัวเราด้วยดันั้นแต่ละคนแต่ละองค์ท่านจะมีความรู้ความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปบางองค์ท่านย่อมไม่มีความรู้ความสามารถนักท่านก็จะน่าปรากฏเป็นชื่อเป็นเสียงขึ้นมาท่านก็หลังจากท่านบรรูุแล้วท่านก็บรรพยูอย่างนงี้เนี้ยเทพระ อาานคนงรรมะเนี่ยเวื่อไหรว่าหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็ไปอยู่ในป่าค์เดียวเนดียวกระทั่งใกล้เวลาที่จะนิพพานก็มักจะเวลาท่านจะเจ้าท่านมาแล้วพวกพระหนึ่งพระอะไรก็ไม่รู้จักท่านก็เห็นท่านเป็นหนึ่งพระแก่ๆองค์หนึ่งแล้วก็ดีแลก็ไม่มีดูเหมือนจไม่มีบารมีอะไรก็ไม่ได้แสดงคา สาวกเท่าที่ควรเป็นพระพิพัาต้องเจอว่านี่เป็นเป็นสาวกองแรกของท่านแต่ท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านอาจจะมีความเด่นในทางความนักน้อยสันโดษท่านชาบอบอยู่นู่นของท่านก็เลยทําให้ประให้ปรว่าเป็นเป็นผู่มีวาสนาบานเนี่ยในเรื่องภายนอกนี้เราดูแไม่ออกทางพระแต่เราดู บาององค์ก็เรียบร้อยมีปัญหาสีบางคันก็บงคงนอ้ององค์ก็ผงขวางหลวงป <c oughs> ู่แ <c> ต <oughs> ่เป็นวาสนา บ, บาลีเขาละเอาที่ท่านได้บอเพิงม า, าไม่เหมือนกันที่พเห็บอาลัสสาววกไี่มีความสามารถพิเศษทุกองค์เลยครับ ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่ม่ทุกอไม่ไม่ทุกองมางก็ไม่มีเลยไมียท่แค่มีแค่ความสามารถที่ทำจิตใจของท่านได้บริสุทธินถึงไม่ปรากฏถึงไม่ค่อยปรากฏที่เสียงขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีเพราะถ้าไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรถึงไม่มีเรื่องราวที่จับจายหรือเกี่ยวกับตัวของท่านแต่ไม่ท่านสึงฐากันท่านเกิดฟ้ ท่านคุยกันท่านก็แล้วจะคุยเรื่องอะไรไปอินเดียเนี่ยนะมีคำถามไหมเนี่ย ทำอะไรทุกวัยข่ง สมติเอฟคือตัวอย่า ง, ง, งเพื่อนของโน้ตเอฟของนาวค่ะคือเขาจะดื่มแล้วเป็นบางโอกาสอะที่นี้เหมือนกับแล้วคือเขาเหมือนมีความคิดที่ไม่เท่าติดแค่ไหนนะคะแล้วก็เหมือนเทมาเทมากลายเปนวะ่เหมือนกับเขามองว่าคือมันไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันกับสินค้าห้าขนาด น, นี้นเหมือนกับว่า อ, อแล้วคือเหมือนกับเขาเขาบอกว่า เขายืมแล้วแล้วเขาไม่ได้เมาค่ะมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับสติเขาก็ยังมีอยู่เลยนะคะแต่เราเหมือนว่ายังไมันค่การยู่แล้วมันก็คือสติซึ่งเหมือนจะเป็นไปตามหลกขารส้าอกาเวียนเวนนี้เป็นเหตุที่ทให้ไม่มีสติสตินี่เป็นตัวสาคัญในการที่จะ คุณการวาจาการของเราให้เป็นปกติถ้าเราเดิอน้อยสติมันก็ยังยังพอยู่แต่ถ้าเดิอมากมันก็จะทำให้ไม่มปกติแล้วก็จะไม่สามารถรักษาสองได้ถ้าเขาที่ว่าท่าเดือดแล้วไม่ไปทำอะไรที่เสียหายเพื่อเขาเดิอเส็จแล้วเขาก็ขึ้นนอนอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ว่าเขาก็ติดอยู่กับเวลานี่ติดกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เวลานี้มันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยในทางในทางธรรมนี่นไม่มีประโยชน์ไรเลยแต่ในทางโลกก็อาจจะช่วยรับปัญหาความปัญหาตชางๆที่มีอยู่ในใจได้ไปไปขณะนีน้ในเวลาเสร็จเรียนเข้าไปแล้วก็ทาําได้เลยเรื่องปัญหาต่างๆไป มันไม่ได้แก้ปัญหาทั้งที่อยู่ภายในว่าภายใ้ก็คือการของเราแต่เมือ่อเรามีขยะแล้วเราก็ฝากมันไว้ใต้ไว้ใต้เสียงมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรถ้าถ้าเราไม่ดื่แล้วเรามีปัญหาเราแก้ด้วยปัญญาด้วยธรรมะนี่จะเป็นประโยชน์กว่า แต่ถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีสติคือไปเดินเทีเยวแล้วก็ไม่มีทางที่จะคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ก็ไม่จะก็จะไม่สามารถแก้แก้ปัญหาทางใจและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในได้ถ้าเป็นปัญหาหรือถ้าไม่เป็นปัญหาแต่ชอบดื่มมันก็เป็นเหมกับยาเสพติดซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้ดื่มไปก็าอา จ, จะทําให้มีความรู้สึกสบาย แล้วก็นอนแบบไายแค่เองแต่ไม่มีคุณประโยชน์อะไรการทหน้ามจิตใจและทําให้เสียเวลาของของการเกิดเป็นมนุษย์ให้ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชนเพราะทุกยานาทีของการเป็นมนุษย์นี้มีคุณค่าหนึ่งต่อการตําเพลินต่อการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ไปถึงที่สุดได้ ถ้าเราติดการเสพสลายเราเราก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมได้ไม่มีทางที่จะบวชได้งั้นก็เท่ากับเป็นการตัดมักคขอนิพพานของเราไปโดย อ, อัตโมัติคนที่ติดสลออายเงาเราก็เข้ า, าวัดไม่ได้บวชไม่ไปฏิบัติธรรมไม่ได้งั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นเป็นเป็นชาติที่ดีที่สุดในการบำเพ็ญก็จะไม่ได้ชัด ประโยชน์อันนี้ก็จะไม่อยูย่เมนไม่ต่างกับสุนทรนั้นเองหาความสุขกับลูกศิษย์เก่งวันสดกับพระไปวันวันหนึ่งจนกว่าจะตายไปนังกลับมาแล้วไม่นี้จะ ใ, ใช้สถานะภาพของเนเองให้เกิดประโยชน์อย่างศิษย์เก่เช่นมีรถยนต์กันหนึ่งแทนที่จะเอาขับไปตามสถานที่ต่างๆที่เราต้องไป กักตาวที่นในบ้านนไม่ไม่ไมออกไปถักไปเดินไปหนุ่มหน่มหนุ่มก็แสดงว่าเราเราโง่เราไม่พอชีวิตของคนมนุษย์นี้เป็นเงินป่านะเป็นเหมือนรถเดนที่เรพาให้เราไปขึ้นบังลุกชนได้เหมือนรถเดียวที่ขึ้ไม่มีพบอื่นชาติอื่นที่จะทำได้เท่ากับการตัวนี้แต่เมื่อว่าเ ร, า เ, ร า, าเกิดเป็นมนุษยนะ์แล้วเราทําได้ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ครับ ปล่อยให้มหมดไปกัเปินที่ไร้สาระไร้คุณค่ามันก็เป็นควา ม, มง้อเขาบางปัญญาของของคนที่ที่เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเห็นชอบเรื่องของทิฏขิความเห็นถ้ามีความเห็นชอบเขาก็จะเห็นโทษคนจุมาและเขาก็จะเลิวแต่ถ้าเขามีความไม่เห็นชอบเขายังไม่รู้ยเขาเกิดมาเพื่ออะไร ว่ามันการ ม, มันเป็นมันได้สงคามนี้มีความหมายอย่างไรก็แสดงว่าเขายังไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นเชัดเขาก็จะคิดหมือนกับเหมือนกับสับเท่าๆกันเหโยงกับเรื่อราศรีคิดจะหาความสุกเฉพาะหน้ า, าเพื่อเสรพตัวแล้วก็มีความสึกเขาก็จะจิตต่ความเสพตัวแล้วแล้วก็จะอ่านหาเหตุผลต่างๆมาลดล้างาการห้ามไม่ให้เขาเสพตัวเพื่อเขาจะได้เสพจากเขว คือความิงเขไม่ต้องหาเหตุผลไได้เพราะไม่มีการไปห้ามเขาอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวเขาเองเองแต่ว่าเวลาเขาไปฟังคําสอนของนักบ่าเช่นคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับมันไปขัดกับพฤติกรรมของเขาแล้วเขาประทับนั้วเขาต้องต่อต้านเขาต้องหาเหตุผลเพื่อที่จะลบล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งลบล้างอย่างไรมันก็ลบล้างไม่ได้พอลบล้างได้เน่ในใจของเขาคือ แก้ตัวไปแบบข้างๆคูลๆสมัยนี้ก็เรียกว่าตะแบงแต่เองแต่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ ง, งลบน้งปัญหาคำคสอนของนักป่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความโลเของวิญญาให้กับตัวมากขึ้นแต่ันะนะนักปานี้ไม่ดแสดงว่าเราชนะตีวชณะนักป่านี้แสดงว่าเราโง่เราเราโง่มากขึ้น เราสามารถลบล้างความคาสอนของคนฉถลงได้ด้วยเหตุผลข้างๆกู๋กูของเราและอย่างนั้นถ้าเแต่ ว, ว่าเขาเออก็อ้อางหรือ ว, ว่าเขาชีร่หลายเหตุผลบางอย่างซึ่งอ า, าอาจจะมีาการลดตู่ค่ะเป็นบาปคือมันมันบาปตรงที่ว่ามันเป็นการปัดพิถีทางของเขาทางคือการเหตุผลทางคือการ พัฒนาจิตใจของเขาให้ไปถึง ข, ขึ้นให้ดีขึ้นมันจะบาดเนี้อขน่ดนี้แล้วอย่างสมัยนี้หลายคนนะคะที่จะติดนถ้าไม่พูดติดอ่ะเหมือนกับว่าที่สาอ้างว่าไปดื่มบ้านการสังคมค่ะพี่เขาเข้าสังคมอย่างนี้ค่ะแบบนี้พ<ม>ี่ก็เห็นคุณคณ่าของสังคมมากกว่าคุณค่าของการอยู่จากความคิ เพราะเขาไม่มีเขาเขาคงจะไม่เห็นว่าตายแล้วก็จะต้องไปเกิดเขาจะต้องไปเกิดเป็นอะไรต่างๆนีน่เขาอาจจะไม่เชื่อเพราะที่ว่าชีวิต น, นี้ก็มือเพียงแค่นี้เมื่อตายแล้วก็จบตายแล้วก็สูญัวนี้เขาก็จะไม่ค่อยสนใจกับการบำเพ็ญ <c oughs> การปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการตัดการการหาคามสุขทางโลกนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่กับโลกทุกตัวที่มาเกิดนี้ต้องการก็คือความสุขทั้งโลกและเมื่อมาบอกให้เขาตัดแล้วเขาจะไปหาความสุขทบบอะไรเขาไม่เห็นว่ายังมีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาไม่มีการเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่สนใจต่อการที่จะปฏิบัติต่อการลดละอบาเยนุกลดละความสุขทั้งโลก เขาไม่ต้องพยายามแสวงหาความสุขทางโลกเพื่อทุกวิถีทางก็ต้องมีการแก่ตัวกันไปตามจากที่ได้ฟังเนี่ยเหื่องเพื่อสังคมบ้างมันยังไม่เพื่อสังคมเพื่อตัวเขาเองแต่ถ้าเขาอ้างว่าเรื่องของเหมือนกับว่าป้องกันตัวไปต่างต่าเหมือนกับสมมติเผื่อโดนมอมอยาดโดนมอมเล่าโดนลิงเ่ะถ้าเกิดเขาอ้า ง, งลีรูปแบบนี้ขึ้นมา อะไรอย่างนั้นเราไม่เข้าใจเขาเหมือนกันจะเป็นได้ไคนที่ถูกมองเล่าเขาชอบมเหล้าคนที่ไม่เหล้าไม่ไดตามมองเาได้ได้ตอมไปแล้วตองไแบบนั้นนะะคไดรู้ว่าถ้าถ้าสมุนเกิดขึ้นมาจะได้รู้ว่านี่เราโดนเรเมาเราไม่รู้สึกฟังไม่ขึ้นเหมือนกันเวลาไปสนใจเขามากมา คือบางทีโรงยงรามแล้วว่าเขาเป็นคนที่ได้อยู่ในวิสัยที่ทำ ม, มาเกิช่วยธรรมะก็<ม>ต้องกว่าให้เขาเป็นไปตามเรื่องสองเกินกว่าเขาเกิดที่ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นคุณค่าของธรรมะและเขาเ้มมาใจเนงธรรมะนี่เป็นอย่างเนี้พระพุทธเจ้าเป็นสอนได้ให้พระไปสอนคนที่ก็ไม่สนใจ ไม่แสดงทรรต่อผู้ที่ไม่มีความเคารพต่อธรรมและก็ไม่แสดงทรรต่อผู้ที่ไม่อาราธนาธรรมไม่ขอให้แสดงธรรมเพราะว่าดันดูขัมตอนที่มันไปสวนกระแสกับความรู้สึกนึกคิตของของขาของคนส่วนใหญ่ในทวี้อเมริกาไปสอนให้ลดให้ละให้หยุด ให้เลิกเพื่อบางสิ่งที่ก็อยากจะทําให้มากมีให้มากแล้วกระทั่งสมัยนี้คนที่เรียกว่าตัวเองเป็นทุนต่องินก็ยังไม่ใช่ทุดแท้ก็ก็ทํามันก็อยากจะให้ร่าให้รวยให้ใหมีงเงินเยอะๆเพื่อจะได้ใช้อยูมีเงินใช้มากมาย แต่พอภาคมาสอนล้อให้อยากจะเงินกันมากก็ให้ประหยัดประหยัดอย่าใช่มากเ <c oughs> นี่ยมันก็ไปถายสะพานนิสิตของเขาเขาคิว่าจม่ทำงางินแล้วมันดีแล้วเนี่ยเด๋ยวพรุ่งนี้เลยเขาจะได้ถาา100ังใหม่ร้อยแทบเท่าเท่าที่แบนี้บริษัทของเขาจะดีขึ้นจะเรานุเูเงียบขึ้นเวลาเปิดบริษัทใหม่ที่นอกมีมนลภาพไปฉันี <c oughs> <c oughs> ก็คือทำอะไรเพื่อให้ได้กำไรนี่มันก็มันก็จำเป็นเพราะเราต้องมีหลาได้เน่แต่ขอให้เราหาเพื่อปัจจัยสิบนะอยากไปหามันมาเพื่อที่เราจะได้มีกันเอามาใช้อะไรอย่างทุ่มเม มาหาความสุขทางโลกถ้าอย่างนี้เราก็มันก็สวนทางกับทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจาต้อสอนให้เราสละความสุขทางโลกให้เราหาความสุขทางด้านจิตใจทางด้านความสงบทาด้า น, นการลดละการปล่อยวางเพ่งเป็นความสุขที่ดีที่จะไม่มีความทุกข์เ ก, กี่ยวพัน ความสุขทางโลกนี้มันมีความสึกเกลียดกันอยู่ทุกระดับทุกเวลาทุกขณะทุกวันนี้ที่เรามีความสุขนี้เราก็มีความสุขเพียงนิดเดียวแล้วส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่ความทุกความกังวลความยุ่งวายใจแต่ถ้าเรามีความสุขทางด้านจิตใจแล้วเราจะไม่ค่อยย่งวายทุกเ อะไรจะเกิด อ, อะไรจะแบบอะไรจะเป็นอะไรจะไม่มาสร้งางความยุติจบให้กับเราแต่ถ้าเรามีความฝุกกับทางโลกนะเราจะวุ่นวายเลยเศรษฐกิจขึ้นก็วุ่นวายโลกร้อนก็วุ่นวายปัญหาต่างๆมีสงครามก็วุ่นวายมันวุ่นวายกันหมดเพราะมันมากระทบกับความฝึก ข, ของเราแต่ถ้าเราไม่เราไม่หาความฝุกทางโลกนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มากระทบกับเราอย่งนั้นเพราะความฝึก ข, ของเราที่หาได้อยู่ในตัวของเรา โดยไม่ต้องพึ่งพาสายเสียงอื่นภ า, ายอนอะกนี่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นกันหรือไม่ได้สนใจให้ความสําคัญกันเราจึงไม่มีความฝุกแบบนี้กันเรายังต้องหาความฝุกแบบเดินเดินอยูเป็นเหมนผู้ที่ติดยาติดติดแล้วก็ต้องก็ต้องเสกเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความกล้าหาญที่จะเลิกมันได้ยอมทุกข์ต่อมาน ทักษะเนี่ยในขณะที่ต่อสู้กับมันในขณะที่พยายามจะเลิกแต่พอมันหายจากการติดแ้วมันจะสบายกว่เยอะแต่เราเลิกหาความสุขทั้งโลกด้านเมื่อไหร่ล้วเราจะมีความสุขความสบายแต่าในในขณะที่จะต้องต้องเลิกทำ น, นั้นมันทรมา คอยกินคอยเดินคอย ด, คอย ด, คอยดูคอยฟังแล้วต้องมาไม่ได้ดูไม่ได้กินไม่ได้ดินไม่ได้ฟังแล้วมันรู้สึกหยุดทางมาาันใจแต่มันเป็นเชื่อระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันจะค่อยๆเบาบางลงไปแล้วก็หมดไปที่สุดแต่เราต้องมีลิธีคือเราต้องต้องภาวนาะถ้าไม่ภาวนาแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทนได้นานอาจะทนได้ทั้งสองครั้ง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 ดานมันให้มันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้เราละสิ่งความสุดแบบเดิมๆได้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจึงต้องทําทั้งสองอย่างทางโลกก็ต้องละทางธรรมก็ต้องทําควบคู่กันไปมันถึงจะได้มีกํำลังพอที่จะดึงให้เราไปในทางธรรมได้ในที่สุดแต่้นขณะที่ทําอยู่ตอนตอนรแรกเนี่ยมันทำอะไรมาก ทุกคนเหมือนกับการบ่งบงานออกจากเท้าถ้าไม่บ่งดดินไปมันก็เจ็บหนึ่งแต่ถ้าจะบ่งมันก็เจ็บมันก็ปวดจะทําอย่างไงจะเอาเกิดปวดแบบชัว่วคราวแล้วก็เหงาไปหรื ว, ว่าจะทนเจ็บปวนอยู่คําถ้มไปเรื่อยๆก็ก็รักษาอีทางเนี่ยอ่กสองทางมันต้องเจ็บด้วยกันทั้งทงคู่แต่เจ็บแบบที่แบบที่ วงเตี้ยนวงน้ำออกไปแล้วมันพอหายเกล็ดแล้วมันก็หายเกตลอดแล้วนี่มีความเกล็ดน้นื้ออยู่เลยถ้าเราเลิกอดละอบายนุก้นละความสุดทางนอกได้แล้วเราก็สบายไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องความสุดทางนอกต่อไปไม่ต้องกังวลกับงาีภรรยากับลูกกับหลานกับทรัพย์สมบัติกับอะไรต่างๆ คือแูบเพี่อนนะต้องมีแนวทางหรือต้องใช้สื่อให้สติการรู้ตลอดเวลาก็เพียนเขียงไม่น้อยเท่านั้นเองย่างถ้าลูกน่าภาวนาอย่างเนี้ยมันเป็นเหมือนสมถะภานาก็คือเธอจะได้แค่สมาธิแล้วได้แค่ฌานแต่พอเขาให้ทำอะไรที่อยากให้มีสติและรู้ตลอดเวลา กืกอคืกเขาเขาเขาใจไม่ดีคือใจมีสติถลอดเวลาก็สาคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการมีสตินี้เพื่อที่จะได้มาทำสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดจิตให้เกิดความสงบจะได้มีความสุดในระดับหนึ่ง ถ้าพอเราออกจากความสงบนั้นเราก็มาจะเริญสติต่อแต่คราวนี้เราจะเริญสติควบคู่กับปัญญาไปด้วยเวลามีอะไรมาสําผัญเราก็จะเริ่ตใส่ลักใส่จะเริ่มพิจารให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกข์ขาหน้าตานี่เป็นขัน้นวิปัสสนาขั้นต้นนี้จะเริ่มแต่สติอย่างเดียวคี่ให้รู้อยู่ว่ากำลมงคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทําอะไรอยู่ทุกขณะให้มีสติรู้อยู่เพื่อที่จะดึงใจให้อยู่ใกล้ๆไม่ให้มันลอยไป ทั่วไปหมดเพราะถ้ามันลอยไปไกลเวลามันนั่งทาสมาธิมึงดึงมันเข้ามาสู่ความสงบยากยากมันจะไม่สงบแต่ถ้าเราดึงมันไว้ให้อยู่ใกล้ใ ก, ก, กล้กับกายวาจาใ จ, าจาอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลานั่งทําสมาธิทําจิตให้สงบมันก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะปรากฏผลขึ้นมาทําให้จิตมีพลังมีความสง บ, ม, ม, สงบมีความสุขมีความอิ่มแล้วนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สนับสนุนพอราออกจากความสงบนี้แล้ว มันก็จะมันก็จะทําให้เราจิตของเรานี้ตั้งมั่นมันไม่ลอยใจลอยมาเหมือนเมื่อก่อนเราจะกําหนดให้มันอยู่กับกายกับกับมวาจากับใจมันก็จะอยู่มันไม่ไปไหนแล้วเราจะให้มันพิจารณาทําดดได้โดดไปมันก็จะพิจารณาเช่นให้พิจารณาอาการทางริษ光荣ของร่างกายพิจารณาเกิดแต่จบตาจของร่างกายเรื่อยๆมันก็จะพิจารณาเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาที่เรียกว่าภาวนาไม่ยับปัญญา คือมันจะมีความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างมันไม่ เ, เทีย่ยงทุกอยาก่างเกิดขึ้นล้วต้องดับไปพอเกิดความโลภขึ้นมาอยากจะได้แล้วความรู้นี้มันจะขึ้นมาประกบทันทีมันจะทําให้ไม่อยากไม่อยากได้ทันทีอันนี้มันต่างกับความรู้ที่เรารู้กันในขณะนี้เรารู้ว่าเราเกิดแก่เจ็บตายแต่มันไม่รู้ตลอดเวลาพอเวลาเห็นอะไรดีปับไม่อยากจะได้แลอยากจะสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอยากจะมีเรื่องนี้นี่ขึ้นมาทั้งที่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็ตายแล้ว ดีไม่ได้ทราบว่าแม่ทานเสร็จตายไปก่อนก็มีเพราะว่ามันไม่ได้คิดอย่างอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันคิดได้เพียงเพียงบางเวลาเวลาที่มาฟังเทศฟังธรรมในเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็พิจารณาอยู่อยรอบเนี่ยออกจากห้องพระออกจากวัดแล้วก็ไปเลยเห็นอะไรก็ไปเลยมีบริษัทก็อยากจะขยายให้มันใหญ่โตขึ้นไปให้มันจเจริญเจ้าหน้าไปเรื่อยๆนี่เป็นเพราะว่ามันไม่มีสมาธิ ถ้ามันมีสมาธิแล้วทีนี้มันจะไม่ค่อยไปแล้ ว, ลวมันจะคิดแต่เรื่องนี้อยู่เรื่อยตลอดเวลาจนการเป็นภาวนาเมยยะปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่อยู่ควบคู่อยู่กับจิตทุกขณะพอความรลภเกิดขึ้นมาครับมันก็ถูกปัญญาตัวนี้ตัดทันทีตัดทันทีอันอย่างนี้ก็เรียกนี่ก็เจริญสติเหมือนกันแต่เจริสติควบคู่ ก, กับปัญญาไป าใ้เขจนั่ต้องนาแต่เ้ใชสหละเขาเข้าใจเขาเข้าใจติดตรงที่เขาที่ว่าทําแค่นั้นแล้วจะทําให้เขาเขาเขาาผ่านขั้นตอนนไงเขาเจริญสติแล้วเขาไม่ต้องไปเจริญสมถะภาวนาแล้วเขาจะเขาจะเข้าเขาจะเข้าวิปัสนาเลยซึ่งมันจะไม่เป็นวิปัสนามันจะเป็นวิปัสสน์เพราะมันจะไม่พิจารณาอย่างต่อเนี่อแล้วจิตใจยังไม่มีความสุขจิตใจมันจะรุ่มร้อน คิดไปแล้วบางทีก่อความโกรธขึาา้นมาเราวม่รู้สึกโกรธไ ด, ด้อันนั้นก็ถูกแต่อันนั้นเป็นท่านต้นมันถูกสุดเพื่อมาให้เราได้ทำจิตให้สงบให้ได้เมื่อจิตสงบแล้วเราจะได้จเจริญสัญญาได้เป็นปัญญาจริงๆจ ะ, จะว่าต้องนั่งหรือไม่นั่งนี่ย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 ดึงมันเข้ามาได้ในระดับหนึ่งเวลาเราจะทําให้มันหยุดเช่นเอาเดินไปแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็จจะรวมลงก็ได้ในขณะที่เราเดินเป็นกลมเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้อย่างที่หลวงปู่หลวงปู่ชอบทุกท่านชอบเดินเดินทุด่งดงตอนกลางคืนท่านก็เดินเพื่อบําเพ็ญของท่านไปท่านมีสติอยู่ขดดวงให้มีตลอดเวลแล้วกรดีท่านไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้สิ ข, ของท่านต้อรวมล ง, ล ง, ลงมันก็รวมลงได้ในขณะที่เดิน เพราะงั้นการการจะทําจิดให้เป็นสมถะเป็นสมาธิานี้ไม่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวนั่งก็ได้ยืนก็ได้หรือบางคน้ามีบุญมากนอนก็ได้มันไม่ได้ที่ทา่ามันอยู่ที่จิตแต่มันมันมันจะมันจะข้ามข้ามสมาธินี้ไปไม่ได้ มันถ้ามันไม่รวมลงกันหนึ่งกันเอกตาลมแล้วมันไ ม, ม่ทางที่จะเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาได้พ<ม>ิจารณาอะไรมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะทิ้งเนื้ได้รากขึ้นแล้วมันจะไปเรื่องอื่นเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แทนเขาเขาเอาหนึ่งก็ตามารวมเป็นจุดเดียวกัน<ม>จเจริญปัญญาออเจริญสติแล้วก็จะเจริญปัญญาเลยโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องผ่านธรรมะ<ม><ม> นี่เป็นก็เป็นความหลงผิดอย่างนี้ก็หลงตาตอนที่ท่านไปศาสตร์หลงปู่มั่นวันแรกหลงปู่มั่นท่านก็เทศสอนเลยว่าท่านมาหาท่านก็ศึกษามาปัญญาความรู้ทางธรรมะก็มีอยู่เยอะนะแต่ความรู้เหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของท่านเลยขอให้ท่านตั้งไว้ตรงที่ว่าดีทาต่อ อย่าอย่าเอามาเกี่ยวข้องกับการทำจิตให้สงบอย่าไปคิดถึงความรู้ต่างๆที่เรียนรู้มาคืออย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรเลยทำจิตให้สงบยุคเดียวก่อนเมื่อจิตสงบแล้วความรู้ต่างๆนี้มันจะมาเองมันจะมาสนับสนุนในการเจริญปัญญาในขั้นต่างๆเองแต่ตอนนี้มันไม่เกิดประโยชน์เพราะจิตไม่ตั้งมั่นเรายัางควบคุมจิตไม่ได้เพื่อย่างนั้นดี่ ควบคุมให้มันเลี่ยงให้มันสงบให้มันสร้างมั่นไม่ไถ้าเราควบคุมมันได้แล้วทีนี้เราก็จะสามารถใช้ปัญญานี้มาคุมมันได้ใ น, ในเวลาที่เราไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้ออกมาแล้วจิตมันก็จะต้องไปสัมผัสกับเรื่องกางดามันก็จะใช้ปัญญานี้มาเป็นตัวดึงจิตไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ตลอดเปิดเปล่าข้ง่ายๆ เมื่อพอเห็นอะไรแล้วจะได้จะได้ไม่เกิดความโลภเกิดความโกรธทางขึ้นมาข้อที่ได้ยินได้ฟังมาที่เข้าไปปดินัาการคนใหญ่ก็าไปสอนกันอย่างนี้ว่าไม่ต้องนั่งหลับตาเอให้เจริญสติให้รู้อยู่แค่นั้นรู้ก็รู้ไปเห็นรู้แล้วทําำมันได้หรือเปล่าเวลามันโลภแล้วทำมันได้เปล่าเวลามันโกรธแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าแค่นั้น ได้ถ้าก็ทําได้แต่ทําได้หรือเปล่าได้อยู่ความโลภหยุดความโกรธได้หรือเปล่าอยู่ความหลงได้หรือเปล่าแต่ยามไม่ได้มีมันไม่มีพลังที่จะหยุดเลยพลังหยุดนั้นนี่มันไม่เคยหยุดเมื่อไม่เคยหยุดจิตแล้วจะไปหยุดที่เลยได้ไงเพราะจิตนมาสายที่เลยมาสายจิตเป็ตัวทํางานถ้าเราต้องการหยุดที่เลยแล้วก็ต้องหยุดจิต เพราะจิตนี่เป็นเหมือนรถแล้วก <Yes. S 1> ิเลสเป็นเหมือนผู้โดยสารถ้าเราไม่อยากให้กิเลสไปไหนแล้วก็แล้วก็หยุดรถหยุดรถแล้วกิเลสมันก็ไปไหนไม่ได้หยุดจิตแล้วกิเลสมันก็ไปไม่ได้พอเราไม่คิดอะไรแล้วกิเลสมันก็โลบไม่ได้โกรธไม่ได้หรืไม่ได้ทีเวลาเราโกรธปั๊แล้วเราหยุดคิดถึงข้อเรื่องนั้นปั๊บความโกรธมันก็หายไปแต่เราหยุดไม่ได้พอเราโกรธแล้วโมันยิ่งคิดใหญ่เลยคิดเรื่องที่ทําให้เราโกรธ มันก็ยังโกรธอย่างแทนที่มันจะโกรธนั่ยตรงมันก็โกรธมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้จักเราเคยฝึกทำจิตให้สงบแล้วพอเรารู้ว่ารู้ว่ากำลังจะวิ่งตกเหวเราเดรกแช่ไหมเดี๋ยวเนี้มันกําลังโกรธนี้ก็เหมือนเราวิ่งตกเหวกําลังแหกโค้งน่ะก็หยุดเสียหยุดจิตเหยุดไปคิดแต่เรื่องที่ทําให้เราโกรธพอหยุดปั๊บมันก็หายไปความโกรธหายไปความโล้ก็หายไป ถ้าหยุดไม่เป็นน่จะหยุยังไงเยเองแหละหยุดได้แค่ข่าวที่จเน้น่ว่ารื่องสำคัที่องไปหัวเรืองสคนี้นเ็ข่าวหยุดที่เรามันหยุดี่คือบางอาจจะหยุดได้บางครั้งบางคราวในขณะที่นึกได้แต่ถ้าในในขณะที่นึกไม่ได้มันก็มันก็มันก็หยุดไม่ได้ นี่ออา จ, จะหยุดได้แต่ก็หยุดไม่ได้แบบถาวรหยุดได้ครึ่งเดียวแล้วก็ไปะ็มัมแต่ถ้ามีสมาธินี่มันหยุดได้ถาวรถ้ามันเห็นโทษของความโกรธน่ามันเป็นเหมือนไฟเผาตัวเองถ้าอยากจะเผาตัวเองมากเพื่จะหยุดโกรกทันที <c oughs> เพราะจิตที่มีความสงบนี่มันเย็นนะทางเราจิตที่ไม่มีความสงบ <Yes. laughs> แล้วจิตที่ไม่มีการสงบนี้เวลาโกรธจะไม่รู้ว่ามันร้อนเพราะมันร้อนอยู่แล้วมันก็จะไม่ไม่เห็นไม่เห็นว่าความสำคัญไม่ที่ต้องอยู่ความโกรธนะแต่จิตที่มีความเย็ยนแล้วเนี่ยพอมีความโกรธความร้อนปรากฏขึ้นมาเพียงนิดเดียวก็อยากจะกาจัดมัน ท, ทันทีมันต่างกัน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 เมือจิตเราสงบแนละ้วเทนี้เราเราพิดธนาเรื่องอะไรเห็นว่ามันไม่ดีเป็นโทษเป็นทิพยเป็นภัยเราจะหยุดมันได้ ท, ทันทีจะตัดมันได้ทันทีเพอเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราทุกข์ธนานอตลอดเวลาจิตเหล่นเนี้ยก็ทํา ง, งานตลอดเวลาเมื่อมันปรากฏขึ้นมาตอนไหนก็จะมีบปัญญาคอยประกบคอยตัดคอยคอยทําลายมันตลอดเวลาพร้อมๆกันไปแต่ถ้ามันอยู่ในขั้น จิตตะไมยะปัญญาเนี่มันไม่ได้คิดตลอดเลยนะคิดบ้างไม่คิดบ้างเพราะมันจิตมันจะลอยไปลอยมามันไม่มีสมาธิมันอยากจะคิดเรื่องอะไรเข้าไปแล้วพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วหนึ่งมันก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ต่างกันกับจิตที่มีสมาธิแล้วถ้ามันคิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะคิดเกิดแก่เจ็บตายพอไปคิดเรื่องคนอื่นก็มันก็จะเกิดแก่เจ็บตายกับเรื่องคนอื่น มันมีเรื่องเกิดแก่เกิดตายตามไปเพื่อยู่กับทุกเรื่องอะ่ะมันจะตามอยู่ทุกเนี่ยจะเห็นเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถึงจะเป็นโสดาบัน<ม>เป็นการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยึดไน่จิด<ม>กับสิ่งที่ที่ดับยัอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับไม่เสีย อ, อกไม่เสียจใจไม่ร้องห่มห้องไรับม่เ้าโศเสียใจไม่ทุกข์ บางทีคนเราไม่เข้าใจเรื่องปัญญานี่มีสมเลบางคนฟังเทศฟังธรรมแล้วคิดว่าโอ๊ยบนรลุแล่ะสบายแล้วคผลที่พานี้เข้าใจหมดแล้วแต่แล้วกลับไปกินเหล้าเหมือนเดิมไปเที่ยวเหมือนเดิมไปอะไรเหมือนเดิมหมดอันนี้มันก็มันก็ปัญญาระดับที่เขาเรียกปัญญาระดับสุตะไม่ใช้ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการไม่อยินดีฟังฉลาดแล้วดูแล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไป ทำอะไรต่อไปถ้าทำแล้วอยู่ก็ทำต่อไปเหอนเลยแต่เวลาคุยธรรมากนี่คุยได้โอ้ยสะุกตัวโปงเลยแต่เวลาบอกให้เลิมเราจะว่าอ้างสังคมอ้างเงี้ยนั้นไม่ดีกนะ็อย่างี่นี้ ไม่งังก็ไม่ต้องมาบวชกันให้เหนื่อยยากมีสามีมีครอบครัวอยู่กันเงนี้แล้วก็บัรลุพันิกานไปทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่ต้องเสด็จะจัดวางให้มันเองเพื่อนเข้าศึกษาก็เป็นประโมาก คือเขาเขาอยู่ในระดับท่านจะท่านต่อยก็สอบได้มีนกง่าย กระจอกใจที่เราต่อยเปนยังไงมันก็ไม่ต่อยครับ <c oughs> เราต่อยมาลูกเดียวแนละ้วเหมือนกับการที่เป็นเคลื่นทีในที่นี้มันไม่ใช่กระจอกใจนะ <c oughs> มีคู่ต่อสู้แต่ <c oughs> คนที่เขาปฏิบัติธรรมแบบอย่างสุบอย่างสบายนั่งทับปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องแอร์กินข้าวสามมื้ออย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนพวกที่ต่อกระจอกใจเขาไม่เอาตัวของเขาลงไปสู่สนามกิน าจริงมันต้องอดบ้างอดอยากขาดแคลนมันต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบาก ท, ทุกชนิดที่จะต้องมีเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ต้องสู้กับสิ่งเหล่า น, นั้นแล้วเร า, เร า, เ, ราเราจะไปเราจะไปผ่านสิ่งเหล่า น, นั้น ไ, ได้อย่างไรใจผ่านมันได้สิ่ง น, นี้มันจะไม่เป็นอุปสรรคมันจะไม่เป็นสัญหากับใจถ้าเราเอาใจเราเข้าไปไปไ ป, ไปต่อสู้กับมัน ไปไปศึกษาหาวิธีที่ทำอย่างไรที่ทำ ใ, ให้ใจของเราผ่านไปได้โดยไม่รุ่นร่ายไม่ทุกไม่กังวลกันวลแต่เราไม่กล้ากันเรากลัวกันเราก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นบางคนที่ก็อยู่ในเมืองาะไม่จําเป็นต้องไปอยู่ป่าทําทํา น, นเมืองให้เป็นป่าก็ได้ทาใจเราให้เป็นป่าก็ได้ <c oughs> มันจะทําได้จริงหรือเปล่านะ <c oughs> ทำมันไม่ไปพสูน์ดูให้มันให้มันหายผสายไปเลยป่ามันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ต้องรังกิจนะแต่ถ้าเขาปฏิบัติจริงๆที่บ้านสมมตินะถ้าเขาปฏิบัติจริงๆเชาวันนึงก็เห็นว่ามันไม่พอที่บ้านมันไม่พอมันเลยปลูกต้นไม้ในกระถา เมื่อมันต้นไม้มันตเต็มที่แล้วกระถางมันไม่มีดินเหลือให้ให้ต้นไม้จเจริญเนาะมันก็รู้ว่าต้องเอาเอาเอาเอ า, เอ า, เอาต้นไม้ลงดินถ้าปฏิบัติทำจ ร, ริงๆแล้วมันจะถึงจุดไหนแหนว่าสภาพในบ้านนี้มันไม่ขอฟื้นต่อทำที่ตัวเองต้องการพราะมันมีอย่างอืง่นที่ยังท้าทายตนเองอยู่เป็นความกลัวความความทุกข์ยากลาบากลำบนต่าง ๆ, ๆมันยังไม่ได้เจอของจริง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 ภาพลองูปมาอยู่ป่าที่นี้ยังไม่พอใจว่ายังมันไม่ป่ามันยังไม่ป่าพี่อเองเขาบอกภาษาอะไรว่าขอไปอยู่ทางลำปางเลยมันความความจำเป็นของจิตมันจะบอกของผู้ปฏิบัติเองว่ามันมันต้องการอะไร เพรพทธเจ้าก็ตัดกนุนในในวังแล้วพวกเราก็ท่านตัดกนุนในวังนะ้พวกเราก็สบาเลไม่ค่อยพวกนี้ไม่ค่อยดูศาสนาท่านเท่าไหร่ไม่ดูพุทธทางสอนกระชามีว่าท่านปฏิบัติอย่างไรผักสอน่เดูไม่ดูวิธีปฏิบัติของท่าน แน่นไม่ได้ออกงตรงเลยราม่ว่าสนาถชาตินี้เกอนมาไม่เคยขึ้นตรงเลยบรรกาศดีวยอย่างอเสือ่้หะก็มีแต่วันอาหาร ไม่ตัดชินไม่เคยที่แบว่าอยู่ในกางเรียวบทนี่ยแก่าไม่อยากเม่จะพยายามถามไปทุกวงเลยะยไม่ไม่จเป็นนะถ้าไม่ถูการผเรตก็ไม่ต้อง่มตาแก็ไม่เมนะหนาไม่ห่อไม่จการผลก็ได้ก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเป็นเป็นข้อบังคับตายตัวกับทุกคน เป็นพุทโธคาวัดเนี่ยพุทโธคาวัดนี่เป็นทางเลือกพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าจะช่วยได้กับคนบางคนบางชนิดเจลิศทั้งแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันบางคนก็ถูกกับการในบางคนก็ถูกกับการโอดอาหารมันยากแต่อุบายของแต่ละคน ถ้าได้ก็เร็วขึ้นถ้าถูกใจเด็กเราแล้วทาแล้วได้ประโยชน์ได้ผล ม, มันก็จะเร็วขึ้นเหมือนกับรถยนต์มันที่ใช้น้ํามันพิเศษรถบางชนิดก็ใช้ได้รถบางชนิดใช้แล้วเครื่องทงก็มีชด้ก็ดูตัวเราว่าเรามันถูกกับกับเนยหรือเปลาถูกกับ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 จะ อ, าอ่านอะไรถ้าเรามากังวลกับเรื่องชีวิตมากบางทีมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมตอนนั้นบาทีเราก็ต้องเรียกว่าจะอานอะไระอ่านธรรมะหรือจะอ า, ะะอาชีวิตเอาชีวิตนี่มันก็มีได้ไม่กี่สี่งมันก็จบแต่เอาธรรมะนี่มันได้ไปตลอดเลยไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเลนันตการตลอดไปงั้นคนเจริญก็ต้องเรือกธรรมะ บางคนมุ่งั่นทำงานไม่ได้ค่ะถ้าต้องอยางานชื่อตีนั้นต้ไปไปเค่ง ถ้าจะทำเมาแล้วไงก็แ่ทำละทำเมาเป็นเมาแล้วพอรู้ก่อนเวลานะอะได้พอนนะอะนะวะดุวาหกุระปะลิกรังติสาขาง เอวเมวะอิโตหินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมังคิปาเมวะชนิสัตุสัพพิภะนิสังคปะจันโทปนะวะโสยธ r a มนิส a ติวะโสยธรรมสัพพิโยวิวัตสันตุสัพพะโรโ a วินาสัตุมัติภวัตวันตาโยสุขีทิฆายุปภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวันโอสุขามาลาสาธุ พนักงานแจกแจก้โยมเขาของที่เป็นอาจารขาไหวเนนี้ไม่เืนองงไเปนล่ววางน้ำ้ายวนตรงกลางเ้าก็วา ันเยอะแล้วเวลารู้ก็คือต้องมีคนยี่ขึ้นมาหลังต้องสมควรที่ดีเขาต้องรวมตั้งแต่คท้าขึ้นมาถึงแหรือแล้วก็หน้ากับแขนรวมตั้งใจนะคะเออ คุณพราวว่าจะลองใจี่ดูแต่ว่าต้องก่อนว่าจะยังไงค่ะราว่าจนียากแค่ไหนเพราะเวลานี้ก็ฉันยาจีนอยู่แล้วก็เรปล่อยตามปฏิยาานเออแล้วก็ค่ะคุณพี่แม่ยากเลยให้ท่านใ้านท่านพีจร์าที่จะดำนินรับการรับคำคัดคำัดมาเมื่วานเพ่มมามือา ได้ฟอันนี้าน่านท่าอธิบายก็นด้่เหมาะสำหรับกรนความเป็นธมาติคือคความเนธรราต ใช่คบระนีโกาี่บอกว่าถ้าเปิดฉบับาว่าตัวไความธรรมชาติก็คือวามสิ่งที่พรู้แต่ว่าถ้ำหลัพระคือธรรมธาตําหลักเพื่อที่พนโลกแล้วอันนั้นธรรมชาติก็คือธรรมธาตอย่าก็เป็นธรรมเป็นธรรมามันไม่มีตัวตนไั่มีแต่ว่าเป็นธาตุสด้านในตัว ้าอากาศมันก็มีแค่นั้นเองแต่เมื่อเรารวมตัวกันมันก็ทำให้เราเป็นคนกับเป็นคนเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้ายิทธศาร์จิตนาแาบนักวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่ภาคเนึงเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรมาผสมกันมารวมกันที่แต่เราไปยึดธศาสตรมัว่าเป็นเป็นบุคคลเป็นสัต แล้วก็อยากจะให้เราอยู่เป็นนานๆไม่เห็นว่ามันมาเราหยวกกันแล้วเพื่อแยกกันก็แยกกันแล้วเติดตเพื่อได้เลยนะได้ก็อาจารย์ไม่ได้ตใจตำมาหมายเท่าไหร่ย้่กรรมมาเจอกันอีกไไนี่ยเมื่อก่อนก็คงเคยเจอมาแล้วไม่เจอคนนี้ก็ไปเจอคนนี้ซึ่งก็เคยเจอกันอีกนะมันก็เหมือนกันแหละมันก็เกิมาเคยอยู่คนเดียวไม่หาย เกิมาต้องอยู่กับคนนี้นคนนี้ตลอดทุกพบทุกชแค่ที่เกิดมาแล้วต้องเจอคนนี้คนนี้เสมอเพราะมันสามโลกที่มาเวียนม่างกายตัวนี้นอยู่คนเดียวไม่เป็นถ้าอยู่คนเดียวได้ก็เป็นพระอริยะเจ้ากัน แ, แต่ท่านอาจารย์ไม่กลับมาให้พูกเราเจอเลยคะมัน ก, มนก็มันก็เหมือนกันแหละมั น, มนก็เราเพียงแต่ระยึดไปติดรูมี่องนี้เท่านั้นเองต้องมีต้องเยอะแยะที่มาปรากฏที่เกิด เป็นเหมือนกันมีความรู้มีอะไรที่สามารถจะสั่งสอนถ่ายทอดให้กับกันได้ก็มีอนี้มานอยู่ด้วยเนือพะพิพาก็ไม่ได้มีเชี้อย่างเดียหมือปู่มั่นก็ไม่ได้มีอย่างเดียวใช่หอย่างปุ่มั่นแล้วก็มีหลองปู่เทศหองปู่ขาวหลวงปู่หลวงตาหลัหลวงตาก็มีหวพ่อหลวงอะไรตามไปก็มีมาอยู่ด้วยเนื้อทำแบบนั้นแล้ไป คือมันมันมันเป็นเรื่องจิงใตใจอะให้ให้หายใจนะครับยาไม่เกิดตระโยชน์น ะ, นะฮะ ทะาั้งใจไม่วาจะตอนเวลายังยังไม่ไม่จบประภาจะเขาไม่ เ, าาเชื่อหรอกว่าเหามือจะหายไปคือก็ตึงๆไปก็ไม่ดีนอนเตยก็ไม่ดีให้มันสบายๆาห้มันสบายๆเวลาย่างก็อยากไปอยากไปให้หยากเพลินๆนะใจก็อยากไปปล่อยเพลินกระทั่งไม่มีจุด เราไม่ต้องร่างกายเมื่อเราต้องโต๊ะเราตั้งข่าไหนไว้ดีแล้วก็ปล่อยนะครับคือเมือเกิดอากา ร, รามาขึ้นมาอาจจะเป็นการปฏิบัติยาสังจิตของจิตที่ต่อขึ้นกันแล้วมันก็ทําให้โงดากระทบกับร่างกายเพราะฉะนั้นในการตอบที่ันมันก็อาจจะมีความรู้สึกตึงบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่ออันใดบ้างอย่าไปสนใจแต่ให้เรามีสติกับกับพุโทโธหรือกับอารมณ์ที่เราใช้อยู่เป็นเครื่องทํา ถูกจุดไว้ขอให้กาะจอยู่งนั้นถ้ามันเป็นจดที่มันจุดนอมันวางมันสแล้วที่ยเนมันจะไม่ดไม่เจ็บหลับกันไ้ก็จุดที่มัน่ก็้องจัดตื่รู้กเหนื่อย็่นมันยังไม่นเต็มที่มันยังไม่สงบเต็มที่ถ้าทาต่อไปถ้าหลังมองไปนี่ ถ้ามันร้อนมากขึ้นไปก็ควรจะจัดตั้งเ้นหมันก็ได้จัดั้งตัวก่อนได้ดีแต่การที่ทำเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมากเกินไปเราไม่จมูกแต่ยามาควายตั้งอย่างนั้นอแต่ความจริงนั้นมันถ้าเรามีสติเองมันจะไม่มันจะไม่งอมันก็จะอยู่ตที่งที่มันงอเพราะว่าสติทำแล้วถือแล้วปล่อย ก็เมันสาวเราค่ะสาวเรก็รู้สึกมันเดินไปแต่ดินที่กลัวๆก็ได้เดี๋ยวหายๆห้ยๆหายงวยพอไหนกลัวๆดินเลยนะขยับปเจอเก้าสองเก้าเดินหายหายงวงความงวยจะหาย่ความกลัวจะมาถ้าถ้าคิดต้องวังวลใจหรือพุทธโทพุทธอะไรก็คิดถึงความกลัวมีความกลัวก็หายไ ตามกลัวเกิดจากการคิดอการคิดเนเรื่องนั้นนมันทำให้เกิดคามกลัวเองเพราพราจิตอยู่กับวิเคราะมันก็เลยคิดเรื่องที่แย่เรื่องกลวมันก็หาความกัวเอี่ยหรือหรือทำงานได้เลยนเสี่ยงเลยยังเรียนอยู่นะยังตีไหนอ่ะ ยงอย่คือคอยดูเลยค่ะคยังยังไม่ได้ขึ้นประดับน่คะ็อย่างค่ะหนึยังไม่ได้ก็เปอดเด็กก็มีก็มาใจยนมาััมาราะแม่เปนตลอดเปนไงแล้วได้ประโยชน์ขึ้นดีขึ้นได้ได้ประโยน์ ก็คือได้ค่ะาเข้าใจมีขึ้นไหมเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อะอ๋อค่ะคือจะก็จะทำนี้อยู่แล้วค่ะทีนี้ก็จะจะอาจจะได้ถ่ายกับของเพื่อนบ้านอยู่แค่นเท่นั้นเรื่องไหนที่ถ่ากับเพื่อนก็อย่าไปพูดกันวนเราพยายามเก็บเรื่องที่มันไม่ไม่ที่มันถัดกันวะอย่าไปพูดเขาถึงนะพูดแต่ใเรื่องที่ไม่ถัดกัน ถ้าต้องยอมแล้วว่าคนเรามีก่าันอย่าไปเอาอยาพยายามที่จะไปปอกให้เขาเข้ามาเข้าทางเราถ้าจะว่าก็สนใจนี่อะไรก็เสียดถ้าเขาไม่สนใจก็อยาสู้ให้งสยเลาเขาจว่าเหมือนกับว่ายังน้อยคือก็มีอยา้เขาเสียกไรตัดสินใจรต่การตัดสินใจนี่เราเกิดการเป็นเพืาอเพื่อน อาจจะการเป็นการทะเลาะบอกันได้ใช่ไหต้องรัวถ้ามงจำเป็นก็อย่าอย่าอไปพูเรื่องที่ไม่ถูกต้องไที่อะไรมันถูกของโมเลยค่ะเจอขโมยฮะเจอคนมาไขประตูบ้านนี่นี่กลับก่อนแม่าคนเนี้ยเเขาให้รดลูกตอเป็นลูกสาวลูกสาวกคแม่ลูกัน มาแต่ข้าวสารก็ดูแลข้าดูแลตัวเขาเ็นได้หรอข้าวารก็แล้วก็สันมากเลยลูกสอบตกเองเธอคข้าใะเราองวุ้นวายเลยสามปีนี้เดือดแหนยอมรับกับทุกคน